น้องๆทุกคนรวนนมท้องลูกด้วยค่ะตั้งแต่เบื้องต้นเลยจริงๆเพิ่งพูดเรื่องภาวนาไปเมื่อสองวันก่อนก็คือทำทำนักสือเล่นใหม่ก็พูดเรื่องสมถะภาวนาวิปรัชนาภาวนา ภาวนาก็คือการชำระจิตคือการปฏิบั ต, ติจิตใจของเราโดยใหญ่เราจะดูแลเรื่องกายกับวาจา้าเช่นเสียงเสียงนี่เป็นการดูแลรักษากายภาวาจา้าคือการกระทำทางกายภาวะจาแต่เรื่องของการประทังท้องใจนี้ต้องอาศัยการบำเพ็ญภาวนาเป็นเครื่อง ควบคุมดูแล บ, บังคับถ้าไม่มีการภาวนาแล้วเราจะไม่สามารถควบคุมบังคับจิตใจของเราได้จิตใจของเราก็เป็นเหมือนลิงตัวหนึ่งเราก็รู้ว่าลิงมันเป็นยังไงจะให้มันนั่งอยู่เฉยมันจะไม่มันจะไม่ยอมอย่าแน่นอนแต่ถ้าเราใช้เชือกผูกมันไว้กับเสาต้นหนึ่งอย่างนี้มันก็ ในเบื้องต้นมันก็ยังจะดิ้นมันก็จะต่อสู้ถ้าเชือกมันไม่แข็งแรงพอมันก็ติดเชื่อกขาดได้มันก็ไปเพ่นท่านได้ต่อจิตของเราโดยปกติก็เหมือนกับเล็กถ้าเราไม่ได้บําเพนทภาวนาจิตของเรามันก็จะคิดไปเรื่อยเปืยตั้งแต่ตื่นขึ้นมาแต่เช้าจนกระทั่งหลับไป จิตจะคิดไปเรื่อยมีเรื่องอะไรมาให้คิดก็คิดไปคิดไปคิดไปแล้วก็เกิดอารมณ์อะไรต่างๆตามมามีทั้งสุขบ้างทุกบ้างเวลาสุขก็ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาอะไรแต่เวลาทุกข์นี่มันแสนทรมานใจแล้วก็ไม่รู้จักวิธีหยุดมันด้วยแตถ้าเราได้มาทำบาเพ็ญกิจภาวนา เราจะสามารถควบคุมบังคับอารมณ์ต่างๆได้ถ้าเราประสบความสําเร็จในการภาวนาถ้ายังไม่สําเร็จก็ยังต้องพยายามทําต่อไปเพราะไม่มีอะไรที่จะให้คุณให้ประโยชน์เท่ากับการบำเพ็ญจิตกับภาวนาเวลาเราบําเพ็ญจิตกภาวนาได้แล้วเราควบคุมจิตใจเราได้เราก็สามารถควบคุมอารมณ์ของเราได้ อารมณ์นี่แบบเป็นตัวที่สร้างความทุกข์ทรมานให้กับเรามากที่สุดในชีวิตของเราเพราะว่าได้ถ้าเราควบคุมอารมณ์ได้เราสามารถกำจัดอารมณ์ที่เป็นทุกข์ได้แล้วต่อไปก็จะไม่มีอะไรมารบกวนจิตใจขเราดังนั้นในการบำเพ็ญกิจภาวนาจึงเป็นงานที่สําคัญอย่างยิ่งของ มนุษย์ของผู้ที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ได้มาเจอพระพุทธศาสนาเพราะว่าเป็นสองส่วนที่ตอบรับกันได้ดีเกิดมาเป็นมนุษย์แต่ไม่มีพระพุทธศาสนาก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้มากเพราะไม่มีไม่มีผู้คอยชีย้แนะแนวบอกทางเดินบอกการปฏิบัติ ต้องเป็นคนที่ฉลาดจริงๆที่สามารถค้นคว้าหาได้ด้วยตนเองเช่นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในสมัยที่ไม่ไม่มีพระพุทธศาสนาปรากฏขึ้นมาพระพุทธองค์ก็ต้องเป็นผู้ค้นคว้าศึกษาปฏิบัติจนได้พบทางอันประเสริฐทางที่ทำให้พระพุทธองค์ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากความดิ้นรนของจิตใจ ที่เรียกว่าตัญหาปัญหาทั้งสามคือการมาตัญหาภาวะปัญหาวิภาวะปัญหานี่เป็นตัวที่ผัดนันสัตว์โลกให้ไปเกิดแบบไม่รู้จักจบจา ก, กสิ้นแต่เมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติจนเห็นเหตุของทุกข์แล้วว่าคือตัญหาเห็นเหตุของการเกิดแก่เส็บตายคือปัญหาทั้งสามนี้ ก็ทรงบมเพ็ญจิตตภาวนานั่งอยู่ที่ใต้โคนต้นโพในวันเพ็ญเดือนหกบำเพ็ญสมถะภาวนาในเบื้องต้นทําจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจสงบแล้วก็พิจารณาดูสภาวธรรมต่างๆที่จิตใจเข้าไปเกี่ยวข้องเรื่องจนเห็นสภาพของความเป็นจริงว่าเป็นใจรักเคยเป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตา ไม่ว่าจะเป็นรูปเสีทังกิเลสโกรธโกรธตะทะธรรมารมณ์ทั้งหลายที่มาสัมผัสกับใจล้วนเป็นทุกข์ทั้งสิ้นค่าไปยึดไปติดไปยินดีล้วนเป็นอนิจจังทั้งสิ้นคือมีการเกิดดับเกิดดับล้วนเป็นอนัตตาคือเป็นสภาพที่ไม่มีใครสามารถที่จะไปบังคับให้มันเป็นไปตามความต้องการของตนเองได้มีทางเดียวเท่านั้นก็คือต้องรู้ทันธรรมชาตินี้แล้วก็ปล่อยวาง เขาจะเป็นอย่างไรก็เพียงแต่รู้ไว้เมื่อเรารู้ด้วยสติตกําหนดรู้เท่านั้นพิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็จะระงับดับไปการที่เราไม่รู้นั้นเราพยายามที่จะไปไปไปแต่งไปปรุงมันไปแก้มันยิ่งไปยิ่งไปแต่งยิ่งไปปรุงยิ่งไปแก้มันก็ยิ่งมันก็ยิ่งทํางานหนักขึ้นไปมันก็ยิ่งสร้างความทุกข์ให้มากขึ้นไป เพราะนั้นเมื่อเราเข้าใจหลักแล้วว่ามันเป็นอย่างไรก็ยอมรับความเป็นจริงของมันปล่อยวางมันไปตามความเป็นจริงเท่านั้นมันก็จะไม่มาสร้างความทุกข์ให้กับเรามันจะดีจะชั่วจะสุขจะทุกข์อย่างไรก็ปล่อยมันเป็นไปตามเรื่อของมันเพราะมันเป็นธรรมชาติเหมือนกับเมื่อกับแจ้งมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นเราจะไปบังคับให้มันเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ เพราะถ้าเราไปบังคับมันแล้วเราก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะมันไม่สามารถทําไปตามความต้องการของเราได้นี่คือหลักของวิปัสสนาวิปัสสนาคือการพยายามทำความเข้าใจถึงสภาวะธรรมทั้งหลายที่จิตใจเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเช่นลูกเสียงกินรสสดถั่วธรรมะเลยที่เราต้องสัมผัสอยู่เสมอฐานทางตาหูแก้มลิ้นกายและใจ ถาเรามีสติมีปัญญาคอยเฝ้าดูแลการอาตอบโต้อของจิตใจว่าจิตใจเราไปมีอะไรกับสิ่งเหล่านะั้นหรือไม่ถ้าไปยินดีมันก็ผิดถ้าไปยินร้ายมันก็ผิดเพราะว่าเมื่อเกิดความยินดีมันก็เกิดความผูกพันอยากจะให้สิ่งที่ยินดีนั้นอยู่ไปนานๆแต่สภาพของสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันก็ไม่อยู่นานมันอยู่แค่ประดี๋ยวประดาแล้วเดี๋ยวมันก็ไป ถ้าเดี๋ยวมันก็มาใหม่เช่นเดียวกับสิ่งที่เราไม่ชอบที่มีความยินร้ายกับมันมันเดี๋ยวมันก็ไปมันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปถ้าเราอยากจะให้มันไปในขณะที่มันยังไม่ได้ไปมันยังไม่ไปแล้วก็จะวุ่นวายใจมันก็เป็นความทุกข์เหมือนกันแต่ถ้าเราเพียงแต่สัตว์าก็รู้รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้แหละเวลามันมันมันดีก็รู้ว่ามันดีเวลามันไม่ดีก็รู้ว่ามันไม่ดี แต่มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ตัวเราเราไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวเขาเราขอให้รู้ด้วยปัญญารู้ทันว่าเขาเป็นอย่างน้นแล้วอย่าไปอยากเพราะความอยากนี่ก็คือตังหานั่นเองอย่าไปอยากให้เขาเป็นเป็นอย่างอื่นเพราะเมื่อเมื่ออยากแล้วมันไม่ได้เป็นความต้องการความอยากมันก็จะทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้ายอมรับสภาพเขาว่าเขาเป็นอย่างนี้แหละ รู้ทันเขาแล้วก็ปล่อยวางเขาไม่ได้ไปหวังอะไรจากเขาเราก็จะไม่ไปทุกข์กับเขานี่คือการวิธีการบําเพ็ญจิตภาวานาด้วยด้วยวิปัสสนาแต่ก่อนที่จะทำจิตใจก่อนที่จะพิจารณาให้จิตใจเราอยู่เป็นกลางได้คือวางปล่อยวางได้เราต้องอาศัยการบําเพ็ญสมถภาวานาก่อนคือบางทีเราก็รู้ เรื่องธรรมะเหล่านี้เราได้ยินได้ฟังมาตลอดเวลาเราเราก็รู้ว่าเราไม่ควรที่จะไปมีความอยากกับสิ่งต่างๆแต่ใจเราที่ยังไม่เคยเข้าสู่ความสงบไม่ได้เข้าสู่ความเป็นอุเบกขาที่เรียกว่าเป็นเอกตารลมกิตรวมลงเป็นหนึ่งถึงแม้จะรู้แต่ก็ทําไม่ได้พอเห็นอะไรก็มันก็จะเกิดปฏิกิริยาทันทีเห็นอะไรที่ชอบก็เกิดความยินดีอยากได้ทันที เนอะไรที่ไม่ชอบก็เกิดปฏิกิริยาอยากจะวิ่งหนี ท, ทันทีนี่เป็นธรรมชาติของจิตที่ยังไม่ได้รับการฝึก ข, ของอบรมในเบื้องต้นคือน้องพยายามทำจิตใจให้รวมลงเป็นสมาธิให้ได้ที่เรียกว่าเป็นเอกตาลงจิตรวมลงเป็นหนึ่งเนื้อสัตว์ว่ารู้เท่านั้นการที่จะทําจิตให้รวมลงเป็นหนึ่งได้นี้ก็ต้องอาศัยสติเป็นเป็นเครื่องมือ สตินี้เป็นตัวที่จะคอยประคับประคองคอยดึงจิตไม่ให้มันไปเพ่นพ่านไปตามความคิดต่างๆดังที่เมื่อกี้เปรียบเทียบ ว, ว่าถ้าจิตเป็นเหมือนกับดึงสติก็เป็นเหมือนกับเชือกส่วนกรรมฐานคืออารมณ์ที่เราใช้เป็นเครื่องภาวนานั่นก็เปรียบเหมือนกับเป็นต้นไม้หรือเป็นเสาต้นใหญ่ๆ เช่นถ้าเราจะใช้การบริกรรมพุโทโธพุธโทโธเราก็ต้องมีสติระเลืกรู้อยู่กับการบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไม่ปล่อยให้บริกรรมพุโทโธไปแล้วก็จเล็ดเล็ด ล, ลอดไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้ามีการกระทําทั้งสองอย่างจิตก็จะไม่รวมลงเป็นหนึ่งก็จะไม่สงบแต่ถ้าเรามีสติคอยรู้อยู่เสมอว่าขณะ น, นี้เรากําลังบริกรรมพุโทโธพุธโทโธอยู่หรือเปล่าถ้า ถ้าไม่มีสติจะไม่รู้จะเผลอจะพูดโทรไปแล้วก็คิดไปด้วยแต่มารู้สึกตัวเองทีก็บอกเอ๊ะเราไม่ได้อยู่กับพูดโทรแล้วเราคิดแต่เรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่แต่ถ้าเรามีสติอยู่เราจะรู้อยู่ทุกขณะเลยว่าเรากำลังบริกรรมพูดโทรอยู่หรือไม่ดังนั้นสิ่งที่สำคัญในเบื้องต้นที่ต้องพยายามสร้างให้ขึ้นมาได้ให้ได้ก็คือการมีสติ สตินี้ก็หมายถึงการเราเลึกรู้หรือให้รู้อยู่กับปัจจุบันรู้อยู่กับการกระทาของเรา <c oughs> การฝึกสตินี้เราสามารถทำได้ในทุกิริยาบทเดินยืนนั่งนอนทำอ ย, อยู่ที่ไหนเวลาใดก็สามารถทำได้แต่ในเบื้องต้นถ้าเราไปหาสถานที่สงบที่เราไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆเรื่องราวต่างๆการจะฝึกทาสติมันจะง่ายกว่า เพราะจะไม่มีอะไรมาคอยมาคอยดึงให้จิตของเรานั้นไปไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็จะทําให้เราเผลอสติไปคือเราจะไม่อยู่กับปัจจุบันดังนั้นถ้าเราสามารถหาที่สงบสงัดวิเวกเช่นตามวัดป่าหรือสถานที่ไหนที่เราสามารถอยู่ตามลําพังมีเพราะมีความสงบสงัดวิเวกได้ลองฝึกอยู่ตามลําพังดู แล้วพยายามตั้งสติตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยเวลาตื่นขึ้นมาปั๊บสิ่งแรกเราจะทำก็คือลืมตาลืมตาแล้วก็ดูว่าตอนนี้เวลาเท่าไหร่เราอยู่ที่ไหนนี่เราก็ควรที่จะมีสติตั้งสติเวลยตั้งแต่ตอนนั้นเช่นเรากำลังจะลุกขึ้นแล้วก็ควรจะรู้ว่าเรากำลังจะลุกขึ้นเมื่อเราลุกขึ้นเราก็รู้ว่าเราลุกขึ้นเนี่ยคือการเคลื่อนไหวของร่างกายนี้ให้อย่าให้คาดไปจาก สายตาของสติสตินี่เปรียบเหมือนกับเป็นผู้คุมนักโทษส่วนร่างกายนี้ก็เปรียบเหมือนกับเป็นนักโทษร่างกายนี้จะไปไหนผู้คุมนักโทษนี้จะต้องติดตามไปด้วยคืออย่าไปคิดเรื่องราวต่างๆที่กายจักตัวเรายกเว้นว่าเรามีความจําเป็นที่จะต้องคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เช่นวันนี้จะต้องไปทําอะไรตอนนั้นเราก็อย่าเพิ่งลุกเราอย่าเพิ่งไปทําอะไร นั่งคิดหรือยืนคิดให้พอสิก่อนเมื่อเราคิดวางแผนเสร็จเรียบร้อยแล้วรู้แล้วว่าวันนี้เราจะต้องไปทําอะไรบ้างเราก็หยุดคิดแล้วเราก็หันมาคอยดูการเคลื่อนไหวของร่างกายของเราจะไปอาบน้ําแต่งตัวจะไปทําอะไรก็ให้มีสติอยู่กับการกระทํานั้นๆจะรับประทานอาหารดื่มน้ําจะทําอะไรขับรถไปทํางานเดินเดินไปทํางาน ขณะที่ทํางานอยู่หรืออะไรก็ตามขอให้มีสติอยู่กับการกระทํานั้นๆไปเรื่อยๆนี่คือเป็นการเพืให้จิตนั้นมีการมีสติให้มีการรู้อยู่ในปัจจุบันอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้อย่าส่งจิตไปคิดเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วเช่นเมื่อกี้นี้ไปไหนมาเมื่อกี้ได้คุยกับใครคุยเรื่องอะไรถ้ามันไม่จําเป็นจริงๆก็อย่าไปคิด ถ้ามันจําเป็นก็ให้มีสติอยู่กับความคิดนั้นให้รู้ว่าเรากำลังคิดเรื่องนั้นอยู่อย่าไปทำสองอย่างพร้อมๆ mm hmm. กันเช่นทํางานไปแล้วก็นั่งคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ควบคู่ไปด้วยคือสิ่ที่เราต้องการจะทําก็คือฝึกจิตให้มันเป็นหนึ่งนั่นเองให้มันทําอะไรก็ให้มันอยู่กับงานนั้นงานเดียวถ้าเราฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วเมื่อถึงเวลาที่เราจะไปนั่งภาวนาทําสมาธภาวนา จิตก็จะไม่ค่อยอเพ่นพ่านไปที่อื่นเพราะมีสติคอยคุมอยู่กําหนดให้อยู่กับพุโทโธพุธโทโธนันก็จะอยู่หรือถ้าเราอยากจะสวดมนต์ในเบริ่มต้นก่อนก็สวดไปมีสติอยู่กับการสวดไปเพราะบางครั้งบางกาจิตบางทีมันยังมีความพุ่งซ่านอยู่จะนั่งเฉยๆกาหนดพุโทโธคําเดียวมันก็รู้สึกว่ายาก ก็ลองสวดมนต์ไปทางทางก่อนสวดใปในใจก็ได้ถ้าเราอยู่คนเดียวแล้วเราไม่ต้องการที่จะออกเสียงหรือไม่ต้องการที่จะไปรบคนผู้อื่นแล้วก็นั่งขัดสมาธิในท่าสมาธินั่นแหละนั่งขัดสมาธิแล้วเราก็สวดมนต์ไปสวดมากน้อยเพียงไรก็สวดไปถ้าตามใดจิตของเราเกาะอยู่กับการสวดมนต์แล้วไม่ไปคิด เ, เรื่องราวต่างๆได้ทาอย่างนั้นไปทักระยะหนึ่งแล้วจิตจะรู้สึกสบายจะสงบ แล้วเราจะขยับเปลี่ยนขึ้นมาเป็นการบริการพุโทโธพุธโทโธไปก็ได้แล้วถ้าขณะนั่งไป น, งนานๆแล้วเกิดมีความรู้สึกมีทุกขเวทนาปรากฏขึ้นมาก็อย่าไปสนใจกับทุกขเวทนานั้นเพราะถ้าเราไปสนใจแล้วเราจะเสียสมาธิเราจะเกิดความอยากที่จะลุกจากการนั่งสมาธิเพราะจะไม่ เพราะโดยปกติจิตจะไม่ชอบทุกขเวทนานั่นเองเมื่อมีทุกขเวทนานแล้วมันก็จะเกิดความรู้สึกที่อยากจะลุกขึ้นที่เรียกว่าเป็นวิภาวดันหาถ้ามีวิภาวตันหามากขึ้นเท่าไหร่แล้วทุกที่สองที่มันจะปรากฏขึ้นมาก็คือทุกขที่เกิดขึ้นในใจของเราไม่ใช่ทุกกายทุกกายก็คือทุกที่เกิดเกิดจากร่างกายที่มันนั่งนานๆแล้วมันก็มีอาการเจ็บปวดบ้าง แต่ทุกที่สองนี้มันจะเป็นทุกข์ที่รุนแรงกว่าทุกข์กายมันเป็นทุกข์ใจถ้าเราเผลอเราไม่ภาวนาไอ้ทุกข์ใจตัวนี้มันก็จะเกิดขึ้นแล้วมันจะเกิดขึ้นจนกระทั่งเราจะไม่สามารถทนนั่งต่อไปได้แต่ถ้าเราไม่ไปนสนใจกับทุกข์กายเรายังพยายามดําเนินบภาวนาของเราต่อไปถ้าเราบริกรรมพุโทโธก็ลองบริกรรมให้มันถี่ขึ้น อยากห้เปิดโอกาสให้จิตไปคิดถึงความเจ็บของร่างกายทํำไปโดยกรรไปแหงถีขึ้นทีขึ้นไปเรื่อยๆไม่ไม่ช้าก็เร็วมันจะทำให้จิตของเรารวมลงสู่ความสงบได้จิตนี้ก่อนที่จะมันสงบนี่มันมากจะต้องผ่านทุกขเวทนาไปถ้าภาวนานมาแล้วมาเจอทุกขเวทนาแล้วก็ยอมแพ้มันก็จะไปไม่ถึงไหน ภาวนาไปกี่ครั้งมันก็จะมา ต, ติดอยู่ตรงที่ทุกขเวทนานั้นมันก็จะไม่สามารถผ่านไปได้ถ้าเป็นนักเรียนก็อสอบถึงเวลาสอบที่ไรก็สอบจบทุกทีไม่สามารถผ่านไปได้แต่ถ้าเราเป็นคนที่มีความมุทะลุมีความกล้าหาญมีความอดทนไม่ไปกลัวความเจ็บปวดถือซียว่านั่งกายมันนั่งอยู่ที่สวยมันก็เป็นอย่างนั้นแหละ ก็ต้องเจ็บต้องปวดบ้างทุกวันนึงร่างกายนี้เขาก็จเอามันไปเผาไฟทึ้นอยู่ดีคิดอย่างนี้ืองจะนั่งเฉยๆแค่นี้ถ้ามันเจ็บก็เจ็บไปมันยังไม่ตายเราจะไปกังวลอะไรกับมันคิดอย่างนี้ได้แล้วเราก็จะได้ไม่ต้องไปกลัวความเจ็บนั่นแล้วเราก็พยายามภาวนาสอดใส่ถ้าบริกรรมก็บริกรรมให้มันทิงเข้าถือเข้าไปเรื่อยๆดีไม่ดีถ้าเราไม่ไปคาดไป คิดว่าจะสงบไหมจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้ไหมมีแต่หน้าที่บริกรรมก็บริกรรมไปพุโทโธก็พุโทโธพุโทโธไปเรื่อย แ, แล้วถ้ามันจะเป็นผลยังไงเกิดขึ้นมามันก็จะรู้กับกับตอนเองถ้าผ่านจุดนี้ไปได้จิตมันก็จะรวมลงได้สองลักษณะคือรวมลงแบบว่าร่างของร่างกายเ <c oughs> วทนมเวทนามันหายหมดเหลือแต่สักแต่ว่ารู้อยู่ มีความรู้สึกมหัศจรรย์ใจปรากฏขึ้นมามีความรู้สึกว่าจิตเมื่อกี้มันมันกวาดแกวง่งมันทุรนทุรายแต่ตอนนี้มันสงบไอความทุกข์ความเจ็บปวดของร่างกายที่มันมีอยู่เมื่อกี้นี้มันก็หายไปหมดและแต่ร่างกายก็ไม่ไม่มีความรู้สึกอยู่ในจิตในขณะนั้นมีแต่ความรู้ที่เรียกว่าสักแต่ว่ารู้อยู่โดยลําพังของมันนี่คือเป็นผลอย่างหนะึ่งที่จะเกิดขึ้นจากการ ทำสมถะภาวนาผลอีกอย่างก็คือจิตมันไม่รวมลงคือแต่มันสงบตัวลงคือมันไม่ว่าวุ่นขุ่นมัวกับความทุกข์ความเจ็บปวด ค, ความวามเจ็บปวดของร่างกายก็ยังมีอยู่ยังรู้อยู่แต่มันไม่มีปฏิกิริยากับความเจ็บปวด น, นั้นต่างฝ่ายต่างอยู่กันจิตก็อยู่ในความสงบของเขานิ่งเฉยอยู่ความเจ็บความปวดนั้นถึงแม้จะมีอยู่<อ>ก็ไม่รุนแรง เหมือนกับขณะที่จิตมันมีความปานปวดในขณะที่มันพยายามที่จะต่อสู้พยายามที่จะหนีจากความความความเจ็บปวดอนันเมื่อจิตมันไม่ต่อสู้มันไม่หนีจิตมันสงบตัวลงทุกความเวทนาที่เกิดขึ้นทางใจมันก็หายไปเมื่อมันความความทุกข์ทางใจมันหายไปแล้วความทุกข์ทางกายมันจะรู้สึกว่ามันไม่มากมันพอที่จะรับได้ พอที่จะปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันได้นขณะที่สงบอยู่ในสภาพนั้นจะอยู่ได้นานหรือไม่นานเพียงไรก็ปล่อยให้มันอยู่ในสภาพนั้นอย่าไปบังคับให้มันออกมาเพราะการภาวนาเพื่อความสงบก็เพื่อที่จะให้มันเข้าไปสู่จุดนั้นเมื่อมันเข้าไปสู่จุดนั้นแล้วด้วยความยากลำบากลาบนเราอย่าไปดึงมันออกมา เพราะเราบางครั้งเราอาจจะคิดว่าเรามีความจําเป็นมีทุเละจะต้องไปทําสิ่งนั้งสิ่งนี้ก็ไม่ควรที่จะไปดึงมันออกมาเพราะถ้าเราดึงมันออกมาแนละ้วต่อไปมันอาจจะเท่ า, ากันยากรอให้มันทั้งยู่เต็มที่ของมันขณะนั้นไม่ต้องทําวิปัสนาภาวน า, าวิปัสนาภาวนานี้เป็นอีกภาคหนึ่งต้องรอให้จิตที่ถอนออกมาจากความสงบก่อนถึงจะสามารถนํามา นำจิตนั่นมาบำเพ็ญในขั้นวิปัสสนาขั้นต่อไปได้และในขณะจิตที่สงบนั่นเป็นขณะที่จิตกำลังพักผ่อนเป็นการเติมพลังเ ต, ต, ติมอาหารให้กับจิตใจความสงบนี้เป็นอาหารอย่างดีของจิตใจเมื่อออกจากสมาธิแบบนั่นมาแล้วจะมีความสดชื่นมีความอิ่มเอิบมีความเบิกบานมีกำลังจิตกำลังใจที่จะต่อสู้กับปีตสัญหาต่างๆที่จะต้องไป ปรเชิญกับมันอีกในระดับนึ้งดังนั้นตอนขณะที่จิตรวมลงตั้งอยู่ในความสงบก็ปล่อยให้มันสงบไปให้นานที่สุดถ้าเป็นนานได้เมื่อมันถอนออกมาแล้วจึงจะเป็นเป็นหน้าที่ของการเจริญปัญญาหรือเจริญวิปัสสนาต่อไปการเจริญปัญญาเจริญวิปัสสนานี้ก็สามารถทําได้ในทุกอิรียบเราเดินเรเดินยืนนั่งนอนก็สามารถที่จะทําได้ เราต้องใช้ไวรั์คืออนิจจังทุกขังนัสตาเป็นเป็นทางเดินเวลาเราสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรโสโผสะธรรมารมณ์ต่างๆที่มาปรากฏในใจของเราเราก็ต้องใช้ปัญญาคือณาให้เห็นความเกิดดับเกิดดับของสิ่งเหล่านั้นพิจารณาเห็นว่าถ้าเราไปยึดไปติด อยะ ก, กับสิ่งเหล่า น, นั้นเราก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาพิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่เราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้อย่างเรานั่งกันขณะนี้เสียงลมมันพัดมามันก็เป็นเสียงที่เข้ามาสัมผัสกับหูเราเราก็ไปบังคับมันไม่ได้แต่เราพิจารณาว่ามันมาได้เดี๋ยวมันก็ไปได้มันมีเกิดมีดับเราไม่ต้องไปยินดีกับมันหรือไป มีความรู้สึกรังเกียดจอยความรังคาใจกับมันถ้าเราจอยความรังเกียจแล้วมันก็จะสร้างความทุกข์ใจให้เกิดขึ้นมาถ้าเราทำเป็นไม่รู้ไม่คิดไม่สนใจเป็นเรื่องของธรรมชาติเขาเป็นอย่างนี้เข้ามาอย่างนี้เรารู้ทันแล้วก็ปล่อยวางเท่านั้นเองแล้วจิตของเราก็จะอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยปัญญาคือเข้าใจสัมผ ของสิ่งอันนี้ว่าเป็นกายรักทั้งสิ้นเป็นอนิจจังทุกของอนัตตาแล้วเราก็ต้องย้อนเข้ามาพิจารณาร่างกายของเราร่างกายของคนอื่นว่าก็มีสภาพแบบเดียวกันคนร่างกายที่มีการเกิดแล้วก็ต้องมีคามแก่มีความเจ็บมีความตายเป็นธรรมดาเมื่อร่างกายตายแล้วมันก็แตกสลายแยกตัวกันไป มาจากอะไรมันก็กลับไปสู่สิ่งนั้นร่างกายนี้ท่านก็ว่ามาจากดินน้ําลมไฟอาหารที่เรารับประทานเข้าไปมันก็เป็นน้ําเป็นลมเป็นไฟข้าวมันก็มาจากดินพน้ําผักอะไรต่างๆมันไม่มีอะไรที่ไม่ได้มาจากธาตุสี่คือดินน้ําลมไฟทุกอย่างมันมาจากดินน้ํำลมไฟเมื่อมาเข้าสู่ร่างกายเรามันก็เปลี่ยนสภาพเป็นอาการสามสิบสอง เป็นผมเป็นขนเป็นเลือเป็นตานเป็นหนังเป็นอวัยวะต่างๆเมื่อเวลาร่างกายนี้หยุดทำงานมันแตกสลายลงถ้าปล่อยทิ้งไว้นาะมันก็ต้องไหลออกมาความร้อนมันก็หมดไปไฟมันก็หมดไปลมมันก็ระเหยออกไปทิ้งไว้ต่อไปร่างกายมันก็แห้งกรอบทิ้งต่อไปมันก็จะกลายเป็นกลายเป็น กลายเป็นผุนไปกลายเป็นดินไปนี่คือสภาพของร่างกายมันเป็นอย่างนี้มันมาจากธาตุสินน้ำลมไฟมันก็กลับคืนศูนย์ธาตุสินน้ำลมไฟมันไม่เที่ยงมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามันเป็นทุกข์ถ้าไปยึดไปติดมันแม้กระทั่งร่างกายของคนอื่นถ้าเราไปยึดไปติดเวลาร่างกายของคนอื่นเขาเป็นอะไรเราก็ไปทุกข์ไปก็ขาวด้วย ถึงแม้จะไม่ใช่เป็นร่างกายของเราด้วยคำกระตา่างเช่นเรารักใครชอบใครแค่คนหนึ่งเกิดเขาต้องเป็นอะไรไปเราก็ต้องมีความทุกข์ไปกับเขาด้วยแต่ถ้าเราไม่ได้ไปรักไปชอบเขาไปยินดีอะไรกับเขาเขาจะเป็นอย่างไรเขาจะเป็นจะตายอย่างไรเราก็ไม่รู้สึกเด็ดนอนใจเพราะว่าเราไม่มีความยึดติดกับสิ่งนั้ น, น, นไม่มีความอยากในบุคคล น, นั้นๆ ดังนั้นเราต้องคิดพิจารณาว่าคนคือร่างกายของเราก็ดีของคนอื่นก็ดีมันเป็นธรรมชาติเหมือนกับดินน้ำลมไฟเหมือนกับลมที่พัดอยู่เนี่ยมันเป็นธรรมชาติมันมีมีมาแล้วเดี๋ยวมันก็มีไปเราอย่าไปถูกมัดอย่าเอาใจของเราไปถูกมัดกับมันมันจะอยู่ก็รู้ว่ามันอยู่เวลาที่มันจะไปก็รู้ว่ามันไป ยอมรับความเป็นจริงแล้วเราจะไม่ทุกขอกมันนี่คือการพิจารณาสำหรับให้เห็นถึงความเป็นธาตุฝีดินน้ำล ม, มไฟของร่างกายว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ไ, ไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราทักวันหนึ่งมันก็จะต้องกลับคืนจริงธาตุเดิมคือดินน้ำล ม, มไฟใน ล, ลาดับต่อมา เราก็ต้องพิจารณาดูความไม่สวยงามของร่างกายเพื่อจะได้ทำลายความยินดีที่เรียกว่าการมราคะความยินดีในการที่อาศัยรูปร่างของคนนี้เป็นเป็นเหตุเช่นผู้หญิงเห็นผู้ชายก็เกิดความยินดีผู้ชายเห็นผู้หญิงก็เกิดความยินดีเพราะว่าเราไม่ได้พิจารณาดูร่างกายอย่างท่องแท้ เราเพียงแต่เห็นสภาพภายนอกเท่านั้นคือผมขเลือดฝันหนังแต่เราไม่เคยพิจารณาถึงสภาพที่มีซ่อนอยู่ภายใต้ผิวหนังเช่นอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายของเราอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหลายที่ท่านสอนให้เราพิจารณาเท้ากายนครให้เที่ยวดนะูดูร่างกายนี้เหมือนเป็ น, เ, นเป็นสถานที่ท่องเที่ยว มันมีอวัยวะมีอะไรต่างๆส่วนประกอบต่างๆที่มีซ่อนลึ่นอยภายใต้ผิวหนังนให้พิจารณาเห็นว่ามันไม่ใช่เป็นสิ่งที่สวยงามไม่ใชเป็นสิ่งที่น่ารักน่ายินดีแล้วก็ให้พิจารณาดูขณะที่ร่างกายนี้หมดลมไปแล้วถ้าทิ้งไว้มันก็ต้องขึ้นอื่นมันก็ต้องมีอาการที่ไม่สวยงามให้เห็น นี่คือสภาพของร่างกายของคนเราทุกๆคนแค่เราพิจารณาอยู่อย่างนี้อยู่เรื่อยๆเวลาเวลาจะเกิดความอยากขึ้นมาไอ้ภาพที่เราได้พิจารณาอยู่นี้มันก็จะเป็นสิ่งที่มาคอยค้านกันมามาตอบโต้กันถ้าเราไม่มีสิ่งนั้นนี้อยู่พอเห็นภาพสวยๆงางานปรากฏขึ้นมาก็จะเกิดความหลงไหลเกิดความเคลิบเคลิ้ม อ, อยากจะได้อยากจะอยู่กับ บุคคลนั้นๆนขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเราได้พิจารณาดูความเป็นอสุภะของร่างกายดูสภาพที่เป็นอยู่ทั้งภายในและภายนอกแม้แต่ภายนอกก็ถ้าไม่ได้รับการดูแลเช่นอาบน้ําอาบท่าหวีเข้าหวีผมมันก็ไม่ค่อยน่าดูแล้ว่ลไรดังนั้นในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ยังมีสภาพที่ ไม่น่าไม่น่าดาูแล้วถ้าเวลาที่ตายไปแล้วยิ่งไม่น่าดูอ่นี่คือลักษณะของการพิจารณาให้เห็นอสุภะความไม่สวยงามของร่างกายเพื่อจะได้ถอดถอนการมัตัญหาคือความยินดีในในกามมสุขนั่นเองที่เกิดจากการได้อยู่ใกล้ชิดกับร่างกายของ ของคนที่เราคิดว่าสวยว่างามนั้นถ้าเราพิจารณาอยู่ไปเรื่อยๆแล้วต่อไปมันจะอยู่ติดตาติดใจไปถ้าพิจารณายังไม่ติดตาติดใจมันก็ยังไม่ทันทั้งๆที่เราได้พิจารณาอยู่แต่พอเราเผลอไปมองภาพปั๊บมันก็ลืมไปหมดเลยให้ส่วนที่ไม่สวยไม่งามที่เราเคยพิจารณาอยู่ถ้าลืมก็แสดงว่ายังไม่ทันมันต้องพิจารณาจนกระทั่งมันสามารถที่จะ เอามาใช้มาแก้ปัญหาคือความความยินดีในร่างกายนี้ให้ได้คือการมราคะถ้ายัางไม่ทันก็ต้องพิจารณาไปเรื่อยๆพิจารณาไปบ่อยๆเดินยืนนั่งนอนในอิริยาบถสี่ก็พิจารณาไปจนกว่ามันจะติ ด, ต, ด, ต, ดติดตาติดใจเราไปหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นที่มีเคยมีคนเคยเล่าในเรื่องพระไตรปิฎกว่า มีพระอยู่รุ่มหนึ่งท่านเจริญกรรมฐ า, านท่านเจริญดูโครงกระดูกอยู่ตลอดเวลามดูมีคนมาถามว่าเห็นคนสองคนเดินผ่านมาทางนี้ไหมท่านบอกไม่เห็นนะเห็นแต่โครงกระดูกสองโครงเนทะ่านั้นท่านพูดอย่างนั้นนั่นคือการเห็นของท่านคือแทนที่ท่านจะเห็นแต่อ า, อาการภายนอกเช่นของผนเล่นฟันหนังรูปล่างหน้าตาเป็นอย่างไรเป็นอย่างนี้ท่านกลับเห็นโครงกระดูกที่มีในร่างกาย ท่อนนั้นอยู่ภายใต้ผิวหนังถ้าเห็นแบบนั้นแล้วมันก็จะสามารถที่จะเอาไว้ต่อสู้กับความยินดีที่เรียกว่าการมาตัางหาหรือกามรมาาคะได้จนพิจารณาไปยังกระทั่งตอนเองรู้ทันแล้วก็ปล่อยวางได้ปัญหาที่เกิดจากความยินดีในในการ ม, มันก็จะหมดไปนี่เป็นเรื่องของร่างกาย ที่เป็นเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาของที่จิตใจมาหลงมาหลงมารักมาชอบมาติดอยู่มาทุกข์อยู่กับร่างกายนี้เพราะหนึ่งไม่เห็นสภาพของความเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่อนอนคนเราเกิมาทุกคนแล้วเกิดมาต้องตายเป็นธรรมดาถ้าเข้าใจยอมรับความจริงอันนี้ได้แล้ว mm hmm. ก็จะรู้สึกเฉยเฉยต่อความตายความตายมันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครหนีไปพ้น เมื่อจิตใจยอมรับได้จิตใจก็ไม่เดือดร้อนอะไรจิตใจก็ตั้งอยู่ในในอุเบกขาในในจิตในสมาธิจิตนั่นแหละถ้ามีที่คนที่มีสมาธินั้นมันมีที่พักพิงนั่นเองสามารถปล่อยวางสิ่งต่างๆได้สามารถรู้ว่าตอนเองนั้นไม่เดือดร้อนได้แต่ถ้าเราไม่มีสมาธิจิตจิตเราไม่รู้จะไปโลงไปวางไว้ที่ไห น, นเพราะเราฝากความสุขเราฝากความหวังไว้กับ ชีวิตร่างกายของเราเมื่อเราต้องสูญเสียร่างกายของเราไปเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนอย่างไรแล้วก็จะมีความวุ่นวายใจแต่ถ้าเราฝึกทําจิตให้เป็นสมาธิได้สามารถทําจิตให้วางเฉยไปอยู่ใน ข, นขาได้แนละ้วเรามาพิจารณาเรื่องร่างกายแล้วเราจะสามารถปล ong วางได้ยอมรับกับความเป็นจริงได้เมืันถึงเวลาจะไปก็ไปเมื่อยังไม่ถึงเวลาอยู่ก็อยู่ต่อไปก็เท่านั้นเอง ไม่ได้มีความอยากจะตายหรือไม่มีความอยากจะอยู่มันยอมรับความเป็นจริงเมื่อยังอยู่ก็ยังอยู่ก็อยู่เมื่อถึงเวลาจะต้องไปก็ไปก็มีเท่านั้นเองปัญหามันก็หมดไปแล้วก็สามารถอยู่ตามลําพังได้ไม่ต้องอาศัยคนนั้นคนนี้มาเป็นคู่ครองเป็นคนให้ความสุขกับเราเพราะแทนที่จะมีความสุขมันกลับมีความทุกข์มากกว่าคนสองคนเมื่ออยู่ร่วมกันแล้วมันก็ต้องมี อะไรทะเลาะเบาแวงกันมีความไม่เห็นตรงกันมีปัญหาหรือถ้าไม่มีปัญหามันก็มีความห่วงใยก็มีความกังวลถ้าเกิดคนหนึ่งเป็นอะไรขึ้นมาเจ็บไข้ได้ไป่วยหรือหายไปก็สร้างความวุ่นวายใจให้กับอีกคนหนึ่งแล้วทู่อยู่คนเดียวไม่ได้อยู่คนเดียวนี้แสนจะสบายถ้าจิตมีความสงบแล้วมันไม่หิวมันไม่กระหายมันไม่อยากกับอะไร วันความสุขอันใดในโลกนี้พระเจ้ากระสงตรัสแล้วว่าไม่มีความสุขอันใดที่จะเหนือกว่าความสุขที่เกิดจากความสงบของจิตใจดังนั้นจึงควรที่พยายามที่จะบาเพ็ญจิตจภาวนาให้มากๆพยายามหาที่สงบสงัดที่เวกอยู่คนเดียวในเรื่องต้นมันอาจจะลาบากบ้างเพราะเราไม่เคยชินเวลาอยู่คนเดียวเรารู้จักรู้สึกว่าเหงา ดังนั้นถ้าเราจะบําเพ็ญจิตตภาวนานี้เราต้องมีความขยันอย่าไปปล่อยเวลาให้มันว่างๆ ง, งโดยไม่ภาวนาเพราะถ้าเราไม่ภาวนาปั๊บนี้ความฟุ้งซ่านมันจะเริ่มมาละมันจะเริ่มคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วมันจะเกิดความรู้สึกเข้าซ้อยหงอยหเหงาดังนั้นเวลาถ้าเราจะบําเพ็ญภาวนานี้ยพยายามฝึกทำสติบำเพ็ญทั้งวันตลอดเวลาตั้งแต่เราตื่นเลยในเรื้องต้นก็พยายามควบคุมจิต ด้วยสติให้อยู่กับปัจจุบันถ้าเสร็จจากภารกิจจําเป็นเช่นดับน้ำถนะ้ารับประทานอาหารแล้วก็นั่งนั่งสมาธิต่อถ้านั่งแล้วมันรู้สึกง่วงเหงาเหานอนก็เดินจำกลมแทงนนเดินจนกว่ามันจะหายง่งวงเนาะก็กลับมานั่งใหม่ทําอย่างเงี้ยสลับันไปสลับมาอยู่เรื่อยๆบำเพ็ญไปเรื่อยๆแล้วสักไม่ช้าก็เร็วจิตมันก็จะเข้าสู่ความสงบ ความสงบนี้มันไม่ได้อยู่เหนือวิสัยของความเพียรไปได้พระพระคุพระคุบาอาจารย์ทั้งหลายท่านก็ใช้ความเพียรนี่แหละเป็นตัวนําตัวท่านเข้าสู่ธรรมอันเลิศของพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรที่จะนําพาเราไปได้นอกจากความภาคเพียรความขยันหมันเพียรที่จะบําเพ็ญจิตตภาวนาแล้วต้อง ต้องอาศัยการเสียสละคือเราต้องตัดความสุขสต่างๆที่เราเคยมีอยู่จากลูกเสียงก ล, ลิ่นรสพลพระจากอะไรต่างๆเหล่านั้นเราต้องอย่าไปอยาไปสนใจเราต้องกล้าตัดมันเราต้องมองเห็นว่ามันเป็นเหมือนยาเสพติดมันไม่จําเป็นกับเราเรื่องดูหนังฟังเพลงไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่มันไม่จําเป็นเราไม่เที่ยวเราก็อยู่ได้แล้วถ้าเราได้ทําจิตของเราให้สงบได้แล้วมันยิ่งมีความสุขยิ่งกว่ากาัน ที่จะไปเที่ยวขึ่นไหนอีกนะเราต้องกล้าเสียสละต้องกล้าตัดสิ่งเหล่านี้ถ้าเรายัางเสียดายยังหงหงแหงความสุขเหล่านี้อยู่เราจะไม่สามารถบําเพ็ญได้การบําเพ็ญนี้จะต้องทุ่มเททั้งชีวิตและจิตใจมีเวลาว่างมากน้อยเถึงไรก็ควรที่จะทุ่มเทมาทางนี้ถ้าทุ่มเทมากแล้วผลมันจะปรากฏขึ้นง่ายและเร็วทําให้เรามีความรู้สึกมีกําลังสิตกําลังใจที่จะปฏิบัติ ถ้าเราปฏิบัติแบบทีละเล็กเทียน้อยมันปฏิบัติมาเป็นปีๆก็ไม่ไปถึงไหนทัทีมันก็ทำให้เกิดความลังเลเกิดความสงสัยเกิดความท้อแทด้ดหน่ายขึ้นมาแล้วมันจะไม่สามารถพาให้เราไปถึงสิ่งที่ดีที่งามที่ประเสริฐเลโลกที่พระพุทธเจา้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านได้ได้พบได้เจอได้สัมผัสได้นามาเป็นสมบัติ่วนตัวของท่าน ดังนั้นถ้าเรามีความเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ประสบพราะเห็นว่าเป็นสิ่งที่ประเสบเลิศโลกเป็นสิ่งที่ที่ดีเป็นสิ่งที่จะทำให้เรานั้นสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้เราก็ต้องกล้าที่จะทุ่มเทชีวิต จ, จิตใจของเรา พยายามพิจารณาถึงว่าถึงสภาพของชีวิตเราว่าเราจะอยู่อย่างในโลกนี้อกีกก็ไม่รู้อกจะสักนานสักเท่าไหร่โอกาสของการที่จะได้บําเพ็ญภาวนาและปฏิบัติตามแนวทางที่พระเจ้าทรงสั่งสอนนั้นก็ไม่รู้ว่าจะมีมากน้อยเพียงไรถ้าเราไม่รีบตักตวงโอกาสที่มีอยู่ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เมื่อถึงเวลาแล้วบางทีมันก็สายเกินไปถึงเวลาจะปฏิบัติแล้วก็สายเกินไป เพราะเาหมวแต่กระติดผ่านกับเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่คอยคอยผับมันประการพรุ่งอยู่เรื่อยๆพอดีจะมาปฏิบัติบาง ท, ทีก็เข้าวัยชราแล้วเพอาะวัยมันชราแล้วจะปฏิบัติทีมันก็ลําบากร่างกายมันไม่เอือ้อมันไม่อำนวยเหมือนกับร่างกายของคนหนุนคนสาวคนที่ยังมีกําลังว่างช้ายอยู่ดิฉอยากให้ท่านทั้งหลายจงมีความเชื่อมั่นในสิ่งที่พระเจ้าทรงสั่งสอ น, สอนในสิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านทั้งหลาย ท่านรพยายามมาสั่งสอนให้กับพวกเราว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะดีเท่าและเป็นสิ่งที่จะทำให้เรานั้นอยู่ได้ด้วยความสุขไปตลอดเลยถ้าเราได้ไ ด, ได้ได้ผลจากการปฏิบัตินี้แล้วมันจะไม่หลุดไปจากมือเราเหมือนสมบัติอย่างองื่นสมบัติต่างๆที่เรามีอยู่ในโลกนี้มันก็แค่แค่ที่ชีวิตเรามีอยู่นี้ท่านั้นเอง เมื่อเราตายไปแล้วเราไปเกิดใหม่เช่นเรากลับมาเกิดใหม่เราก็ต้องมาสร้างใหม่สมบัติที่เราได้ไว้ในจิตในใจของเรานี่มันจะอยู่ติดไปกับเราไปตลอดฉะนอยากให้ท่านทั้งหลายจงพยายามใช้ความพยายามทุ่มเทเ ว, เวลามเวลาชีวิตจิตใจต่อการบําเพ็ญภาวานาและพยายามเข้าหาครูบาอาจารย์ฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆเพราะการปฏิบัติถ้าเราไม่มีครูไม่มีอาจารย์ เราอาจจะหลงทางได้ดังนั้นจึงขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความแน่วแน่มีความมั่นใจในการดําเนินชีวิตตามแนวทางที่พระเจ้าได้ส่งสั่งสอนให้พวกเราปฏิบัติกันแล้วการได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี้ก็จะเป็นเป็นสิ่งที่ไม่สูญเปล่าไปอยียไปกาเป็นมนุษย์นี้เท่านั้นแหละที่จะสามารถตักตวงมรรคผลนิพพานได้ดี ที่สุมากกว่าการได้มาเกิดเป็นอย่างอื่นอย่าปล่อยพพชาติของความเป็นมนุษย์นี้ให้มันไหลผ่านไปเหมือนกับเปิดน้ําทิ้งเหมือนเปิดน้ําทิ้งไว้โดยไม่มีเอาภาชนะอะไรมารองรับเสียดายน้ําช่วงนี้ฝนก็ไม่ค่อยตกหน้าแรงถ้ามีน้กควรที่จะรู้จักหาภาชนะอะไรมารองรับมาเก็บไว้ชีวิตของมนุษย์เราก็เป็นเหมือนภาชนะอันหนึงที่สามารถรองรับ สิ่งวิเศษที่พระพุทธเจ้าและาาพระสาวกทั้งหลายท่านได้ได้ได้พบได้ได้มาครองเป็นสมบัติถ้าเรานํามาปฏิบัติกับเราแล้วต่อไปสมบัติเหล่านั้นมันก็จะมาเป็นของพวกเราเช่นเดียวกันเพียงขอยุติการแสดงไว้เพียงเท่านี้ขอขอส่วนผลบุญที่ท่านทั้งหลายได้มากระทํงงากันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุข ก, กายสบายใจ มีความเจริญทั้ง ใ, ในทางธรรมและในทางโลกโดยทั่วหน้ากันเชิญงานเมื่อกี้พูดพอจะเข้าใจไหมคือส่วนใหญ่มันอยู่ที่การปฏิบัติของเราคือแนวทางม <ID a butterfly î> ันก <supplements> ็มีอยู่ อยูที่ว่าเราจะมีความขยันน้อยๆเส่าไรนะแต่หลายครั้งมักจะแพ้ความขี้เกียจนอนดีกว่าเราติดความสุขเล็กๆน้อยๆจากการหลับการนอนการกินพอจะมาภาวนานี่มันต้องมันต้องเปลี่ยนเปลี่ยนสภาพชีวิตของเราเราจะอยู่กินแบบปกติมันก็จะไม่สามารถที่จะเจริญทางด้านภาวนาได้ เป็นคนภาวนาก็อย่างน้อยต้องถือศีลแปดแคก็ต้องไม่วั ย, ยที่สวยก็ต้องไม่รับประทานอาหารเย็นละความจากการเคยรับประทานอาหารมันก็หมดไปแล้วแล้วก็นอนก็นอนแบบงา่ายๆนอนกับพื้นนอนอะไรยังไปอยู่ตามวัดที่ไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ปาประปามันก็ไม่ค่อยสะดวกมันไม่ค่อยสบายทางด้านการ การอยู่การกินแต่มันทําให้เราไม่ต้องไปพวร์พรนกับเรื่องเหล่านี้ว่าใหม่ๆมันอาจจะไม่เคยชินมันก็รู้สึกลําบากหน่อยแต่เรื่องเหล่านี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องเรื่องเลวร้รรายอะไรตรงไหนหรอกมันเพียงแต่ว่าเราไม่ถนัดนั่นึองหลังจากเราเคยใช้มือขวาอยู่ประจํา้าเราต้องมาใช้มือซ้ายใหม่ๆมันก็รู้สึกว่ามันยาก แต่สมมติว่าถ้าเกิดมือขวาเราเสียไปใช้ไม่ได้เราเหลือมือซ้ายเราก็ต้องใช้มือซ้ายันได้เราก็ต้องฝึกใช้มันจนได้ก็ mm hmm. เหมือนกันแนวทางชีวิตที่เราอยู่กันทุกวันนี้มันก็เป็นเหมือนกับมือขวาของเราแต่เรามีแนวทางชีวิตอีกอันนึงที่เรียกว่ามือซ้ายของเราที่เราไม่ค่อยชอบใช้กันเท่าไหร่แต่เราต้องมาเห็นว่าแนาวทางชีวิตแบบที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเราดำเนินนี่แหละมันเป็นแนวทางชีวิตที่ดี ที่สบายจริงๆที่ไม่มีทุกข์เราอยู่ท่เราอยู่บนกองสุพแต่เรามีความทุกข์ล้อมรอบเราอยู่ตลอดเวลาดูดู เ, ดเรามีไฟฟ้าใช้ถ้าเกิดมันไหนไฟฟ้ามันดับแล้วก็เดือดร้อนกันละตัวเรย็นก็ไม่ทํางานแอร์ก็ไม่ทํางานพัดลมก็ไม่ทํางานเรามีน้ําประปาใช้อยู่ตลอดเวลาถ้าเกิดน้ำประปามันมันไม่ไหลขึ้นมาสักวันเราก็เดือดร้อนกันละ พราะเราไม่เคยอยู่แบบที่ไม่ต้องอาศัยสิ่งเนี้เราสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีสิ่งเหล่านี้เห็นแต่ว่าเราไม่เคยก็มันท่านเองเราเคยทําอะไรแล้วมันก็เรามักจะมีความผูกพันมีความติดพันกับมันเคยทําอะไรที่มันมันสะดวกมันสบายมันง่ายก็ชอบอย่างนั้นพอจะต้องมาทําอะไรยบางอย่างที่มันมันมันรู้สึกว่ามันยากความจริงมันไม่ยากแต่มันเพียงแต่ว่าเราไม่ถนัด มันก็เลยรู้สึกว่ามันยากก็เลยไม่อยากจะทำชีวิตของเราก็เลยไม่ค่อยได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปทไหรแต่ถ้าเราพยา ย, พยามเนี่ยพยายามฝึกเอาอย่างน้อยก็ทําเป็นพักๆไปก็ยังดีมีเวลาว่างวันหยุดน้สี่วันก็ไปอยู่วัดกันไปหาวัดที่เงียบๆดีกว่าวัดคูบาจางก็ดีแต่ถ้าคน วัดคุบาอาจารย์ส่วนใหญ่เดี๋ยคนเข้าเยอะและไม่เหมาะกับพวกภาวนาจริงๆเมื่อที่ภาวนาจริงๆต้องการความสงบจริงๆก็ไปหาวัดที่เป็นวัดของลูกศิษย์ของท่านก็ดีสมัยก่อนที่ไปอยู่วัดปา่ามันตาสมัยแรกๆก็ไม่ค่อยมีใครไปเท่าไหร่สมนั้นส่วนใหญ่เขาจะไปวัดที่ครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่กว่าหลวงตาท่านที่วัดหลวงตาท่านก็จะเป็นวัดที่สงบไม่ค่อยมีญาตยโยมไปเท่าไหร่ วันเสาร์วันอาทิตย์นี้อย่างมากก็มีรถแค่สองสามคันไปจากบิูดอนเท่านั้นเองไปใส่บาตรไปถวายอาหารทานขานการอะไรนั้นก็รวดเร็วกลับมาจากบิณฑบาดปั๊บจาบอาหารเสยงไม่กี่นาทีก็ได้ฉันกันละแต่ตอนนี้รู้สึกว่าคนไปเยอะกว่าจะได้ฉันนทีนึงมันเหนื่อยฉันเสรแล้วต้องมาเก็บมากวาดมาอะไรกันนี้ใช้เวลามากเวลาก็จะไม่ก็มีสาหรับที่จะไปใช้กับการภาวนา ถ้าไปวัดเล็กๆอย่างวัดท่านอาจารย์คุยว่าท่านอาจารย์อินนี่งเงียบยังไม่ค่อยมีญาติโยมไปกันเท่าไหร่ไปอยู่ที่นั่นแนละ้วมีเวลาที่จะภาวนาได้ได้เยอะที่ไหนที่มีคนเยอะๆแล้วมันก็ต้องมีปัญหาตามมาปัญหาส่วนใหญ่ก็อยู่ที่คนมันบางทีอยู่คนเยอะๆก็อดคุยกันไม่ได้ยิ่งคุยกันมากก็ยิ่งเสียเวลาจิต ก, ก็ยิ่งยิ่งฟุ้งซ่านก็ยิ่งไม่สนกนะ ถ้าไปอยู่ว่าที่ไม่ค่อยมีใครต่างคนต่างมีที่พักของตนเองอยู่แบบเงียบๆอยู่ตามลําพังถ้าอย่างนั้นแนละ้วโอกาสที่จะได้ภาวนามันก็เยอะแต่เราต้องภาวนาเป็นหรือเราต้องรู้ว่าไปแล้วต้องไปทําอะไรพอไปแล้วก็ไปนั่งกายหน้าผากนอนแล้วก็เริ่มคิดฟุ้งซ่านอย่างนั้นก็มันก็ไม่เกิดประโยชน์ อย่าน้อยต้องรู้จักวิธีการเจริญสติเดินเดินจงกรมก็ให้มีสติอยู่การเดินนั่งสมาธิก็ให้มีสติอยู่การนั่งอย่าปล่อยใจให้มันคิดเพ่นพ่านไปตามเรื่องตามราวของมันต้องคุมมันอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับเป็นนักโทษอย่าปล่อยให้มันไปทำอะไรตามอิสระถ้าปล่อยให้มันคิดไปตามอิสระเดี๋ยวไม่ต้องคิดถึงเพื่อนฝูงคิดถึงความสุขเดิมเดิมที่เคยมีอยู่ แล้วก็จะทาให้เกิดความรู้สึกว่าเว้ยสร้อยเท่าเท่าส้อยห้อยเหวี่เกิดขึ้นมาถ้าดีไม่ดีก็จะทําให้ทนอยู่ไม่ได้เดี๋ยวเราคิดถึงเพื่อนคิดถึงบ้านคิดถึงอะไรต่าง 3, ก็ต้องกลับไปแต่ถ้าเราพยายามทําแต่ภาวนาอยู่เรื่อยๆอย่าปล่อยให้จิตมันไปคิดได้เดินก็พุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆกลับมานั่งก็พุโทโธต่อ คือการในจิตนี่อย่าให้มันไปมีอะไรเลยให้มันมีคิดโทอยอย่างเดียวแล้วจิตมันจะเข้าสู่ความสงบเมื่อมันสงบแล้วทีนี้มันไม่หิวไม่อยากกับใครทั้งนั้นแหละเพราะมันหยุดคิดนั่นเองเมื่อมันหยุดแล้วมันก็ในโลกนี้ก็เหมือนกับไม่มีอะไรอดีตก็ไม่มีอนาคตก็ไม่มีมีแค่ปัจจุบันมีขณะนี้เท่านั้นเองขณะนี้ที่มีความสุขมันก็ไม่มันก็ไม่ต้องอยากที่จะไปหาอะไร อยากไปที่ไหนังนั้นถ้าเราได้เข้าถึงจุดนี้แล้วก็อยากจะไปภาวนาอยู่อย่างเดียวไม่อยากจะอยู่ใกล้ใครเพราะอยู่ใกล้ใครแล้วมันลำคาญมันมาทําให้จิตของเราต้องกระเพื่อมจิตของเราต้องต้องคิดต้องบูมต้องแสงต้องมีอารมณ์ตามมาแต่ถ้าเราอยู่ของเราคนเดียวอยู่ตามป่าตามเขาอยู่กับเสียงลมอยู่กับต้นไม้อะไรเงี้ยแล้วก็ภาวนาเดินโยนขมนั่งสมาธิ หรือไม่เช่นนั้นก็อ่านหนังสือธรรมะสลับกันไปอ่านหนังสือธรรมะทางภาคปฏิบัติของครูบาอาจารย์มก็ดีมันเป็นการฟังเทเสไปในตัวแล้วก็ได้ข้อคิดได้อุบายต่างๆขึ้นมาเพราะการปฏิบัติของเรานั้นยังต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังอยู่เรื่อยๆเพราะมันมีมันจะต้องมีปัญหามีอุปสรรคอะไรต่างๆปรากฏขึ้นในภาวนาอยู่ถ้าไม่มีแผนที่ เช่นหนังสือหรือครูบาอาจารย์เทศของครูคบาอาจารย์คอยฟังเือยอะๆมันก็สามารถหลงได้เพราะสิ่งที่ปรากฏในภาวนานี้มันมีทั้งของที่เป็นมรรคเป็นผลและเป็นของที่ไม่ใช่เป็นมรรคเป็นผลถ้าเราไม่รู้จักแยกแยะเลยเราก็ไปหลงติดอยู่กับของที่เป็นโล้ะเป็นของที่ไม่ใช่จะพาให้เราหลุดพ้นแต่จะพาให้เรายังติดอยู่กับการเวียนว่าตายเกิดอยู่ได้ นั้นก็ต้องมีธรรมะของครูบาอาจารย์มาอ่านบ้างมาฟังบ้างสลับกับการดําเนินบําเพ็ญภาวานาเวลาฟังธรรมะของครูบาอาจารย์นั้นก็เกิดกํำลังจิตกําลังใจบางทีเราเกิดความท้อแท้เกิดความเบื่อหน่ายรู้สึกว่าภาวนาแล้วมันไม่ไปถึงไหนเลยพอได้ฟังเทศน์ฟังธรรมของท่านท่านเล่าถึงปัญหาของท่านที่ท่านประสบมาและวิธีที่ท่านต่อสู้กับมันมันก็ทําให้เราเกิดมีความ กำลัง จ, จิตกําลังใจที่จะดําเนินต่อไปได้ดังนั้นก็ก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงพยายามเกาะติดครูบาอาจารย์ไว้องค์เหนที่เรามีความเชื่อมั่นในตัวท่านก็พยายามเข้าไปหาท่านอีกเรื่อยๆในความเชื่อทวามธรรมอีกเรื่อยๆแล้วก็นําไปปฏิบัติคือต้องต้องทํำทั้งสองอย่างต้องฟังด้วยแล้วก็ต้องไปปฏิบัติด้วยถ้าฟังแล้วไม่นําไปปฏิบัติเล้วฟังแป๊บแล้วเดี๋ยวมันก็เลย ถ้านําไปปฏิบัติแล้วมันจะอยู่ในใจของเราที่แทนฝนชะงานี่ก็จะลงฉันที่ไหนครับก็เดินลงไปที่ข้างล่างเก็ออกไปบินระบาอแล้วก็ฉันที่สาลาข้างล่างการเลื่อนกระถางที่อยู่ข้างล่างนั่นเองครับ ปกติแล้วถ้าบทในพรรษาที่ท่านอาจารย์รับบาตรข้างนอกหอเป่าลึกรับประทานไปในวัดหรือเปล่าก็รับเหมือนเดิมที่นี่เขาไม่ได้ถือข้อที่ว่าไม่รับอาหารตามจากหลังบิณฑบาตทั้งมันไม่มันรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยจะคือเขาไม่ได้ทํามาตั้งแต่เริ่มต้นก็เลยไม่ไม่ได้ปฏิบัติมาการวันเจ็ดมืงขึ้นกับเราไหมครับที่ท่าอาจารย์ถ้าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์กับวันพระก็ ก่อนจะเริ่มฉันก็ประมาณตั้งสองโมงขึ้นสองโมงขึ้นเพราะว่าต้องเทศก่อนเทศเทศก่อนจริงเทก่อนฉันา้อย่างวันนี้ก็เทศประมาณสองโมงเช้าสองโมงเช้าคือบิณฑบาดกลับมาถึงว้ก็ประมาณโมงแล้วญาติโยมก็มาถวายอาหารใส่บาตที่ตลาดก่อนจะเสร็จก็ประมาณสองโมงสองมงแล้วก็คุยธรรมะก็ครึ่งชั่วโมง เสร็จแล้วเพราะที่นี่เขาจะจะแท่ให้เขาฟังเสร็จแล้วเขาก็กลับบ้านกันไปคือเขาก็รับประทานอาหารพร้อมกับพระไปเลยเราอาาแล้วก็จะจัดไว้ในศาลาอาหารที่เหลือจากพระก็ไปกองไว้ที่ศาลาในศาลาแล้วก็พระแล้วก็เทศให้เขาฟังพอเทศเสร็จแล้วพระเริ่มแขวนญาติโยมก็รับประทานอาหารกันคือเราจะต่างโยมญายกันกลับไป ถ้าเป็นวันสาวาที่วันพระ ก, ก็จะช่วงเวลานี้แต่ถ้าเป็นวันธรรมดาก็จะเร็วเพราะว่าไม่มีคนมาทำมาจากมินรรมบทบ่าเจ็ดโงจัดอาหารเสร็จ ก, ก็ประมาณเจ็ดโมงครึ่งก็ฉันกันละถ้าเป็นวันธรรมดาที่นี่มีพวกคาราวานมาปฏิบัติอะรมีเข้ามีทีพ่พักอยู่ให้มาอยู่ปฏิบัติได้เพียงแต่ว่าที่นี่เขาจะไม่มีอไม่มีครูสอนนะ เขาจะให้คลาๆว่ามาแล้วก็พักกันตามอัธยาศัยใครภาวนาแบบไหนอย่างไรก็ทำกันไปแต่เขาจะให้ลงบวถเช้าเย็นไปไหว้พระสวดมนต์ทำวัดช้าวัดเย็นแล้วก็นั่งสมาธิในในโบสถ์สักครึ่งชั่วโมงมพร้อมๆกันตอนเช้าประมาณตีห้าตอนเย็นก็ประมาณหกโมงหกโมงเย็นแล้วหลังจากนั้นก็ กลับไปที่พักของใครของมันที่พักมันก็จะเป็นเป็นเรือนเป็นเรือนใหญ่ไป็นนองห้องเหมือนกับเป็นโรงแรมนี่เนี้ยเป็นมีห้องพักมีห้อง น, น้ำมีตัวของมันแต่เขาจะนะอนุญาตให้อยู่ครั้งหนึ่งได้ไม่เกินเจ็ดวันยังําต้องสามวันแล้วก็ไม่เกินเจ็ดวันต่อครั้ง ที่เาว่า้ออยู่คางอย่างน้อยามวันก็คือเขากัวพวกที่จะมาค้างคนเดียวบางทีมมาเที่ยวกันแล้วไม่มีที่พักก็มามาใส่วัดนอนแต่ไม่จะมีเสียค่าโรงแรมหรือเปล่าก็ถูกนะแต่บางทีก็อาจจะชอบนอนวัดก็ได้บางคนขนอนวัดที่นนี้ท่นท่านจไม่ชุ่มแม่ยาเกิดขึ้นมาปฏิบัติที่ข้างบนนี้ไม่ไม่มีใช่ คือ <Yeah. S 1> โดยปกติก็จะไม่ได้ให้ใครขึ้นมาอยู่ <Yeah. S 1> นอกจากคนที่เคยอาจจะเคยบวชแล้วแล้วเคยขึ้นมาอยู่อย่างเงี้ยแล้วอยากจะมาขอนอนคืนสองคืนอะไรอย่างนี้ก็ถ้ามีกุฏิว่างก็ก็อยู่ได้ <Yeah. S 1> แต่ไม่ได้เปิดแบบกว้างแบบให้คนทั่วไปขึ้นมาอยู่แล้วก็ไม่อยากจะให้มากันเยอะเพราะอยากจะให้ถ้าที่มันแคบสถานที่มันไม่ค่อยมีกว้างนัก อยากจะถ้ามาอยากจะให้มาแบบมาเดียวๆมากกว่ามาคนเดียวอะไรเงี้ยถ้ามาสองคนมักจะจับคู่กันก <c oughs> อดคอกัน <c oughs> คือการภาวนานี้ต้องต้องเน้นเรื่องความวิเวกไม่ดีถ้าไม่ไม่จับกลุ่มกันได้แนีดีถ้าจับกลุ่มกันแล้วมันก็จะอดที่จะคุยกันได้ ทำมาคนเดียวนี่มันรู้สึกว่ามันโล่งไปหมดมันไม่ต้องไปกัวงวลทำมาสองคนเดียวก็ต้องห่วงหน้าห่ว ง, ห ล, ง, ห, ล ง, ห, ลงหลังกันเดียวกันทำมาคนเดียวแล้วหลังก็เข้าประจำที่ของเราภาวนาของเราได้เลยข้างบนนี้แม้กระทั่งพระที่บวชใหม่เราก็ไม่ได้ให้ขึ้นมาทันทีมาพระบทใหม่ถ้ายังไม่รู้จักเรื่องภาวนาถ้าปล่อยให้ขึ้นมาเดี๋ยวก็มา สร้างความวุ่นวายให้พระกระเพาะ อ, องค์อื่นครับเพราะจะไม่ภาวนาเนี่ยเองจะไปรบกวนพระกุฏินุ้นกุฏินี้ไปคุยกับเขาไปอะไรอะไรก็เลยจะต้องบอกว่าให้อยู่ข้างล่างไปสักพักก่อนเราดูสภาพจิตใจของเขาว่าเขารักความสงบหรือไม่เขาชอบภาวนาหรือเปล่าถ้าเขาไม่ชอบความสงบก็ก็ไม่ให้เขงงาทำหลังไม่เกิดประโยชน์อะไร เพรบางทีคนส่วนใหญ่เวลาโบวชใหม่ๆรู้สึกว่าอยากจะออกปฏิบัติเลยไม่ไม่อยากจะร่ำอยากจะเรียนอยากจะเข้าอยากจะทุดงเลยอะไรเงี้ยโดยที่ตัวเองยังไม่มีพื้นฐานจิตใจยังไม่มีความสงบหรือยังไม่รู้จักภาวนาไปอยู่ในปา่ามันก็ไม่ได้ไปภาวนาเดี๋ยวก็ไปไ ป, ไปทํปทาำนู่นทำนี่ในปา่าก็พยายามที่จะรักษา ความสงบสงัดของพื้นที่ไว้แต่ความจริงแล้วสําหรับคนที่ปฏิบัติในเบื้องต้นนี้มันไม่จําเป็นจะต้องมีที่วิเวกขนาดนั้นก็ได้เพียงแต่เขาให้เรามีที่เป็นศักเป็นส่วนของเราแล้วไม่มีใครมารบ ก, กวนลราเช่นเรามีห้องพอที่เราจะนั่งได้ทําจิตของเราให้สงบได้อะไรอย่างนี้มันก็ยังพอพอถือถ่ยไปได้ แต่ถ้าเราต้องการที่สงบจริงๆมันก็มีอยู่วันหลายที่ที่มีสถานที่ที่เราสามารถไปได้แล้วเรื่องเหล่านี้ก็ต้องเป็นการสแสวงหากันทุกๆคนเนี่ยเมื่อถึงเวลาก็ต้องสแสวงหาสถานที่หาหาครูบาอาจารย์กันสมัยที่อาจจะมาปฏิบัติใหม่ๆก็ปฏิบัติอยู่ที่บ้านเนี่ยพอดีมีห้องแถวอยู่ห้องหนึ่งไม่มีใครอยู่เราอยู่คนเดียวล้วก็อยู่ั้งเรา ก็เปิดพอนาอยู่ประมาณปีหนึ่งแต่ก็ไม่ได้หมายควาว่ า, าอยู่ที่นั่นตลอดทั้งปีบางช่วงก็ไปไปหาที่อื่นบางทีก็ไปนอนที่เกาะบ้างบางทีมีคนก็มีที่พักที่ไหนแล้วเขาชวนไปก็ไปของเขาแต่ส่วนใหญ่ก็อยู่ที่บ้านอยู่คนเดียวนั่งสมาธิเดินเดินกลมในบ้านอ่านหนังสือธรรมะพยายามควบคุมจิตใจของเราที่มันอยากจะออกไป เที่ยวนุ่นเที่ยวนี้พยายามไม่ไม่ทําตามใจมันเพราะรู้ว่าออกไปเที่ยวมันก็สนุกแต่พอกลับมาแล้วมันก็เศร้าซ้อยหอยเหงาเลยสู้พยายามฝืนมันดีกว่าพยายามบังคับจิตใจให้มันต่อสู้กับความเศร้าสร้อยหอยเหงาที่มีในตัวล้วเนี่ยรู้ว่าเรารู้ว่ามันเป็นกิเลยรู้ว่ามันเป็นอารมณ์รู้ว่าจิตเราไปคิดไปจ้างมันขึ้นมาถ้าเราพยายาม เดินจงกรมนั่งสมาธิไปเรื่อยๆเดี๋ยวสักพักไออารมณ์เหล่านั้นมันก็จะหายไปนี่เป็นวิธีที่แก้ที่ถูกเวลาเกิดความเศร้าส้อยน้อยบเงาอย่าไปแก้ด้วยการออกไปเที่ยวจริงอยู่เวลาออกไปเที่ยวพับความเศร้าส้อยน้อยบเงามันก็หายไปนี่บอกว่าเวลาออกจากบ้านนี่เหมือนไก่บินพ อ, อไปเที่ยวเสร็จกลับมามันก็คอพับกลับมาเหมือนหากิงเนี่ยพอเราเวลาไปเที่ยวกลับมานี่ก็คอพับกลับมา ถ้าถ้ารู้ว่าต้องต้องอยู่บ้านมันก็เริ่มเกิดความเศร้าสร้อยเงียเหงากับมาเหมือนเดิมคือปัญหามันจะไม่ได้รับการแก้ไขเพราะเมื่อลาบใดที่เราไม่ได้ออกไปเที่ยวเราต้องอยู่บ้านเราเราก็จะต้องมีความรู้สึกเศร้าสร้อยเงียเหงาแหละแต่ถ้าเราสามารถที่จะแก้ความเศร้าสร้อยเงียบเงาด้วยด้วยการไม่ออกไปจากบ้านเนี่ยมันจะสร้อยมันจะเศรวยังไงก็สู้กับมันรู้ว่ามันก็เป็นอารมณ์เท่านั้นเองมัน มันไม่เป็นอย่างนี้ไปตลอดแล้วยิ่งถ้าเรามีธรรมะมาเป็นเครื่องแก้แล้วมันยิ่งยิ่งเป็นการแก้ที่ถูกทางเพราะเมื่อเราภาวนาแล้วนั่งสมาธิไปแล้วเดี๋ยวความรูนะ้สึกนั้นมันก็หายไป น, ยนี่เราถึงรู้คุณค่าของการบําเพ็ญนนีะ่เป็นอย่างเงี้ยเพราะถ้าเราไม่มเราไม่ปฏิบัติครับปล่อยจิตให้เราเคลิ้มคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่สักครั้งหนึ่งเดี๋ยวมันก็ มันก็เริ่มคิดถึงเรื่องอยากจะออกไปเนะี่ยพอไม่ได้ออกปับ๊บมันก็เกิดความหุดหงิดใจเกิดความเศร้าซ้อยหง่อยเงาเกิดขึ้นมาถ้าพอได้สติปับ๊บก็รีบกลับมานั่งสมาธิเลยพอมีความเศร้าสร้อยหง่อยเงาเท่าไรก็นั่งสมาธิไปนั่งสมาธิไปพอจิตสงบปับ๊บมันก็หายไปหายไปแล้วเมื่อเรานั่งอยู่เรื่อยๆต่อไปมันก็กลายเป็นมิตรใสขึ้นมาเรามียาแก้และเป็นปัญญาที่ถูก คือเมื่อก่อนเราแก้ผิด เ, เวลาเราเบื่อเรามีความทุกข์ใจเราก็ออกไปช้อปปิ้งกันไปเที่ยวกันเพื่อไปทำลาย้ความรู้สึกที่ไม่ดีในใจเราแต่พอเรากลับมาอยู่ว่ามันก็เหมือนเดิมอไอความทุกข์แบบนั้นมันก็กลับมาอีนี่ถ้าเราแก้แบบทางธรรมะคือมันมีมีความทุกข์ก็นั่งสมาธิไปเดินจงกรมไปอย่าไปคิดถึงไอเรื่องที่อยากจะออกไปเที่ยวพยายามต่อสู้กับมัน พอจิตสงบับมันก็หายไปแล้วก็อยู่บ้านได้พอมันสงบเราก็สบายแล้วพอมันจะเป็นอีกล้วก็ทำอีกหรือถ้าเราทำอย่างต่อเ น, นื่องมันก็จะไม่มีโอกาสที่จะโผล่ออกมาได้เลยการการปฏิบัติถ้ามันปฏิบัติแบบหยุดหยุดทำแล้วก็หยุดหยุดแล้วก็ทามันจะมีช่องว่างให้เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายขึ้นมาได้แต่ถ้าเราปฏิบัติอย่างต่อเ น, นื่อง มันจะไม่มีช่องว่างให้มันความมีความรู้สึกนั้นเกิดขึ้นแต่มันต้องแบบว่าต้องไม่รู้นะิชิจะมันต้องเป็นจังหวะชีวิตของคนของอาตมามันเป็นช่วงที่ตอนนั้นมันมันไม่มีอะไรต้องทำตอนนั้นจบมางานก็ไม่มีทำคือมีงานแต่มันไม่ใช่เป็นงานที่เราให้ความสำคัญงานเป็นงานที่เราทาไปเพื่อที่จะมีเงินเลี้ยงสังเลี้ยงอง แต่เราจบวิศวะมาแต่เราไปทํา ง, งานเป็นผู้จัด ก, การร้านขายติ่ม <c oughs> แตลกไหมเพราะช่วงนั้นมันไม่อยากจะไปทํา ง, งานวิศวะขี้เกียจไปคํานวณไปขี้เกียจไปคื mm hmm. อตอนนั้นช่วงนั้นเรายังไม่อยากที่จะค้าวบ อ, อกว่าจะหันเหหรือปักสร้างใจจะไปในทิศทางนั้นเพราะนั้นชีวิตของเรายังคิดอยู่ว่าเราอยากจะหาอะไรทําที่มันสบายใจ ถึงแม้จะไม่ร่ำไม่รวยแต่มันสบายใจอยากจะได้อย่างนั้นมากกว่าที่จะต้องไปทำงานที่ได้เงินทองเยอะแยะแต่ต้องไปปวดปวดศรีรษะไปเครียดกับการงานเราไม่อยากจะไปในทางนั้นอยากจะอยู่แบบง่ายๆไม่ต้องมีเงินมากไม่ต้องใช้เงินมากแต่มันสบายใจไม่มีความกดดันเรามีเงินมากเราใช้มาก ซื้อบ้านราคาแพงๆซื้อร้อราคาแพงๆกินอาหารราคาแพงๆ แ, แต่เราต้องต้องหาเงินมามากๆเพื่อที่จะมาใช้จ่ายกับการอยู่แบบนั้นซื่ง อ, อยู่แบบง่ายๆดีกว่าจิ้มกวยเตี๋ยววันลาชาบสองชางก็ยิงได้แล้วง่ายสบายกว่าถ้ามันใช้น้อยมันก็ไม่จําเป็นจะต้องหามากตอนนั้นก็เลยไม่คิดก็เลยอยู่พยายามอยู่แบบแบบถูกๆค่ะ วันนึงวันละยี่สิบาทก็อยู่ได้แล้วก็เลยมีงานพอดีงานมันอยู่ใกล้ๆบ้านก็เลยทําไปสธรรมะไปทําไปอย่างนี้อดีช่วงนั้นยังไม่ได้ยังไม่ได้ศึกษาธรรมะแต่พอทําได้สักเดือนสองเดือนก็ได้หนังสือธรรมะม า, มาอ่านก็เลยเริ่มศึกษาก็เลยเริ่มสนใจเลยเริ่มเกหันนั่งสมาธิ ด, ดูเอ๊นั่งแล้วก็สบายใจอยถูกทางแล้วเนี่ยเราอยากจะหาความสบายใจ เราไม่ได้อยากจะหาอะไรในโลกนี้เพราะเราเห็นคนที่มีสมบัติมีอะไรเงนินทองเครื่องของก็ก็มีแต่ความวุ่นวายมีแต่ปัญหาทั้งนั้นเราไม่อยากจะมีปัญหาอะไรกับใครทั้งสิ้นอยากจะมีความเป็นอิสระเป็นตัวของเราเองมีความสุขตามอัตภาพของเราก็เลยเกนั่งทําสมาธิก็เลยรู้สึกว่าเออดีนี่น่าทา้า น, น่าจะเป็นทางที่จะไปก็เลยตัดสินใจลาออกจากงาน แล้วก็ตั้งเป้าไว้ว่าจะลองปฏิบัติดูสักปีหนึ่งดูว่าจะไปถึงไหนก็จะปฏิบัติแบบที่ได้เรียนได้อ่านจากหนังสือตอนนั้นก็อ่านการเดินเดินจงกรมนั่งสมาธิการตั้งสติแล้วก็การถือศีลอะไรพวกนี้ศีลแปดตอนนั้นก็ลองหัดรับประทานอาหารวันละมือเท่านั้นเอง อยู่คนเดียวภาวนาอย่างเดียวกับอ่านหนังสือธรรมะเป็นหลักนานอยยไม่ไปแต่ใจอยากจะออกนะไม่ใช่ไม่อยากจะออกอยากจะไปเที่ยวบางทีมีเพื่อนมาชวนไปเที่ยวเอก็ปฏิเสธเข้าไปอย่าเน้นใจนี่โอ้เหมือนจะเสียดายแต่รู้ว่าเวลาออกไปเที่ยวอะไรกลับมามันกลับถอยหลังคือเวลากลับมาแล้วจะมาภาวนานี่มันมันเหมือนกับกลับไปเริ่มต้นใหม่ กิดมันเหมือนกับว่ามันเสื่อมลงไปสู้อยู่แล้วมันภาวนาอย่างต่อเนื่องมันง่ายกว่าเวลากลับไปเที่ยวไปเที่ยวกลับมาแล้วมันเริ่มต้นใหม่เหมือนกันจะต้องมามามาเมืนก็ลงกลับไปจากชั้นสองไปอยู่ชั้นชั้นชั้นหนึ่งต้องเดินขึ้นมาชั้นสองใหม่ก็ลเลยพยายามที่จะต่อสู้กับความรู้สึกที่อยากจะออกไปด้วยการภาวนานก็ทํามาได้บางปีนะ ก็เลยค the really ิดว so really ่าเอ๊ะเราอยู่งนี้ได้เราก็น่าจะบวชได้นะเพราะเราก็ชีวิตพระเราก็ศึกษาดูจริงๆพระปฏิบัติเขาก็ไม่มีอะไรเขาก็มีแค่บินธบาตแล้วเขาก็เ้าก็ปฏิบัติธรรมทั้งนั้นเองก็เราคิดว่าจะบวชแต่ต้องหาวัดที่มีการปฏิบัติเพราะส่วนใหญ่วัดแถวบ้านๆแถวบ้านที่อยู่ก็เป็นวัดแบบที่ที่เราเห็นกันน่ะเป็นวัดมีเมนมีงานศพ มีงานบวชมีงานคุศลอะไรต่างๆก็กลัวถ้าไปอยู่วัดอย่างนั้นมันก็ไม่ได้ภาวนาก็โชคดีไปคุยกับพระที่อยู่ใกล้บ้านท่านก็แนะนําว่ามีพระปฏิบัติอยู่ทางภาคอีสานท่านก็แนะนําให้ไปบวชกับสมเด็จยวกยานมาสองรองอที่วัดบัววอนแล้วก็เลยไปที่วัดบัววอนกับบวชบวชปั๊บก็ได้รู้จักกับพระพระฝรั่งที่เข้าไปวัดตามนั่นต่าง เขบอกว่าถ้าอยากจะไปวันตายก็เขียนจดหมายไปขออนุ ญ, ญาตจับท่านปัญญาแล้วท่านปัญญาจะไปขออนุญาตจากหลวงตายทีก็เลยเขียนจดหมายไปหาท่านปัญญาท่านปัญญาก็ขออนุญาตหลวงตาแต่งานอนุญาตให้ขึ้นไปแต่ท่านก็ไม่ได้รับท่านก็ท่านก็บอกว่าไปไปได้แต่ไปอยู่ทุกข่าวเนี่ชีวิตมันก็พาไปเราก็ไม่ได้ช่วงชังหวัดชีวิตเราตอนนั้นมันไม่มีภาระทางด้านอื่น มันก็เลยสะดวเกเจอทำมากครับพอได้นั่งปฏิบัติครับมันก็ติดครับมันก็ไปของมันเลยไม่ต้องมานั่งคิดว่าจะมีปัญหาจะต้องตัดใครทิ้งใครไปเรื่องอะไรตอนนั้นก็เป็นโสดไม่มีภาระอะไรกับใครพ่อแม่เขาก็ไม่เดือดร้อนอะไรไปโดยที่เราก็ไม่ได้วางแผนอะไรนะชีวิตมันก็ไปของมันตามตามขั้นของมันแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะบวชนานเท่าไหร่ คือเราเป็นคนแบบว่าอะมันไม่ไม่ยึดติดจนเกินไปคือว่าไม่ได้ตั้ ง, ปงเป้าว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้จะต้องให้ได้อย่างงี้จะต้องให้ได้นี้เ่แต่ว่าขอให้มันทําไปเถอดมันได้มากน้อยเพียงไรก็ประเมินผลไปเรื่อยๆก็นล้วกันดำเนินไปเรื่อยๆก็ประเมินผลไปในตัวแล้วก็ก็พิจารณาดูว่าทำอย่างไรควรจะแก้ไขอย่างไร ถ้าเราต้องการที่จะไปทางนี้มันมีอุปสรรคอะไรเราจะต้องทําอะไรแล้วก็แก้ไขไปศึกษาไปตอนต้นไปอยู่บ้านตานก็ไม่ได้คิดว่าจะได้อยู่ลึกหรือจะอจะอยู่นานก็ไม่รู้ก็ไม่ได้คิดเพียงแต่ว่าขอให้ไปคือตอนนั้นอยากจะได้ที่เท่านั้นเองอยากจะได้ที่ภาวนาอยากจะได้ที่สงบที่สงบตอนนั้นยังไม่รู้ว่ามีครูบาอาจารย์ระดับไหนอยู่ในประเทศไทยเพราะไม่เคยอา่านหนังสือของทางสายปฏิบัติ ตอนนั้นได้นังสือสัญญาจะเป็นพวกนังสที่มาจากพระไตรปิฎกก็เลยจะจะรู้แต่เรื่องพระในอดีตแต่ในพระในปัจจุบันจะไม่รู้แต่ตอนนั้นรู้แล้วว่าจิตของเรานีต้องการสถานที่ที่สงศ์สงศ์ท่า น, นั่นเองสถานที่ที่เราสามารถบําเพ็ญได้ภาวนาได้คือตอนนั้นถ้าอยู่เป็นค า, ารวาสมันไม่ได้แล้วก็เงินหมด <c oughs> <c oughs> ไม่เงิน เงินที่เก็บมาจากทำงานมันหมดแล้วถ้าจะถ้าจะอยู่กับคารวะก็ต้องทำงานต้องไปหางานถ้าไปหางานมันก็ไม่มีเวลาภาวนาใช่ไหมวันหนึ่งไปภาวนาไปทำงานก็ต้องแปดชั่วโมงล่ะกลับมาบ้านก็เหนื่อยงานาการจัดงานมันไม่มีทางที่จะภาวนาได้ทั้งวนันทั้งคืนอ่ะแต่ถ้าไม่ได้ทำงานนี่มันภาวนาได้ทั้งวนันแต่ห้างถึงเวลานอนก็เลยว่าบวชดีกว่า บวชนั้นน่ยมันมีโอกาสาได้ภาวนาจริงๆแต่ต้องหาสถานที่ที่เราภาวนาอ ย, อย่าไปเจอวัดที่ต้องทํางานอย่างอื่นเลยเขาคิดแค่นี้ยอย่าไปเจอวัดที่ต้องไป<ม>ไปไปสวดไปสอน ไ, ไปสั่งไปทําอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องภาวนาเพราะเราศึกษาในพระไตรปิฎกไม่มีเนี่ยในสมัยพุทธกาลในเรื่องที่เขาทากันในสมัยปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่ภาพออกบวชแล้วพุทธาก็บอกให้ไปอยู่ตามป่าตามเขาไปนั่งภาวนากัน แต่ประมาณนี้บวชแล้วจะต้องไปทํานู่นทํานี่ไปสวดตพไปงานบุญไปอะไรเต็มไปหมดมันไม่ได้เป็นงานของพระโดยตรงก็เนี่ยที่ไปก็คิดว่าจะไปหาวัดที่มีแต่การปฏิบัติเนี่ยก็โชคดีไปวันแรกก็เจอมีแต่การปฏิบัตินวนๆวันเป็นวัดที่โอ้โหท่านมีความเข้มงวดกวดขันมากแล้วก็มีความเข้มข้น ช่วยช่วยเราได้มากเมื่อก่อนเราคิดว่าเราคนแล้วแล้วเมื่อไ ป, ไปเปรียบเทียบของท่านนี่เรามันไถ่ของทานเมืม่อก่อนเราคิดว่าเรากินข้าวมื้อเดียวเรืเราเก่งแล้วนะทานก่อนบวช น, นี่เราก็คิดว่าเราเก่งแล้วพอไปอยู่บ้านตาใหม่ๆหม่เอ๊ะทำไมพระที่นั่งข้างๆเราหายไปสองสามวันถามว่าไปไหนกันเนี่ยกลับบ้านเลยบอกเปล่าท่านอดอาหารพอก็เห็นเขาอดอาหารได้แล้วก็เลย ก็เกิดมีความมุดมาเนี่ยก็อยากจะลองดูก็ลองอดกับเขาไปเหมือนกันนั้นมันก็ดีมันช่วยได้พอเวลามันอดอาหารแล้วมันมันมีความหิวเวลาหิวเราก็ต้องอาศัยการภาวนาเป็นการช่วยดับความหิวเพราะความหิวส่วนหนึ่งมันเกิดจากสังขารความคิดปรุงแต่งของเราจิตของเรามันชอบคิดถึงเรื่องนู้เรื่องอาหารพอคิดถึงแต่เรื่องอาหารกน้ำลายมันไหลแล้วมันหิวขึ้นมาแล้ว อันนี้ก็เลื่หิวทางจิตคือร่างกายมันไม่หิวแต่จิตมันหิวแล้วเนี่ยที่มันทรมานมันทรม า, ทาม น, นทางจิตมันหิวทางจิตนั้นพอเกิดความหิวปับแล้วต้องรีบนั่งภาวนาเลยพอพอนาจิตสงบรับความหิวก็หายไปพอรู้เลยว่าเนี่เนี้่ความหิวมันมีสองสองสองชนิดอยู่คู่กันคือความหิวทางร่างกายส่วนหนึ่งกับความหิวทางด้านจิตใจความหิวทางด้านร่างกายนี้มันไม่รุนแรงเหมือนกับความหิวทางด้านจิตใจ พราะเวลาที่มันไม่ได้ภาวนาเวลาจิตมันไม่สงบมันปรุงแต่งเรื่องอาหารนี่โอ้ยมันทรมานมากมันหิงมากแต่พอภาวนาแล้วจิตมันสงบแล้วมันความทรมานมันหายไปมันมีแต่ความรู้สึกว่างๆท้องว่างๆรู้สึกว่ามันอ่อนเพลียบ้างอะไรอยู่ในร่างกายแท่นั้นเองมันไม่ทรมานเหมือนกับความหิวทางด้านจิตใจการอดอาหารมันก็เลยเป็นอุบายทําให้เราคล้ายๆว่าจะต้องภาวนาอยู่ตลอดเวลา ถ้าปล่อยไว้ปั๊บเดี๋ยมันปรุงแต่ง่ะปรุงแต่งเรื่องอาหารการหัวอาหารมันก็ดีหลายอย่างคือมันทําให้เมื่อก่อนนี้ตอนที่ไม่ได้ัวอาหารนี่บางทีตอนเย็นๆมันจะรู้สึกว่าหิวมันจะปรุงแต่งเรื่องเรื่องอาหารแต่พอเริ่มหัวอาหารไปสักทัานแล้วมันมันไม่ปรุงแต่งละตอนเย็นธรรมดาเพราะว่ามันไม่ได้กินที่ร้านสี่วันมันก็อยู่ได้และนี่เพียงแต่ไม่ได้กินมื้อยังมื้เดียวมันจะไม่รู้สึกอะไร ดีแล้วก็เรื่องการรับประทานอาหารก็ง่ายาเวลาไม่เวลาไม่ได้ฉันนักสาวสีวันนี่อะไรก็อร่อยกันหมดข้าวเปล่าก็อร่อย <c oughs> ทําให้มันกินอาหารได้ง่ายขึ้นเยอะแล้วการภาวานาก็ไม่ง่วงเหงาเผลนอนไม่ขี้เกียจ <c oughs> เวลาฉันเสร็จกลรมมาแล้วมันจะอิ่มท้องแล้วทีนี้มันไม่ภาวานาแล้วมันอยากจะหาหมอนแล้วจะนอน ถ้าการรการบำเพ็ญถ้าการอดอาหารเป็นเป็นการที่ถูกจริตกับเราก็ดีบำเพ็ญไปแล้วอดอาหารไปด้วยนี่มันจะช่วยให้เราได้ขยันมีความขยันในการภาวนาเพราะเราจะต้องต่อสู้กับความทุกข์ที่เกิดจากความปุงแต่งของจิตเกี่ยวกับเรื่องอาหารเมื่อมันคิดแล้วมันก็จะหิวเมื่อมันหิวแล้วมันก็ทรมานใจมันก็ต้องบังคับให้เราต้องภาวนาเมื่อเราภาวนาแล้วมันก็สงบ เนื้อเราทำบ่อยๆก็ต่อไปเราก็เราก็ชนานาญในเรื่องภาวนาต่อไปเราก็สามารถภาวนาได้โดยที่ไม่จําเป็นจะต้องมีอะไรมาบังคับเรามีเวลาว่างก็นั่งภาวนาแล้วก็เมื่อจิตเริ่มเป็นมีความสงบมากๆแล้วทีนี้มันก็เริ่มใช้ปัญญามันก็เริ่มออกทางด้านปัญญาพิจารณาดูร่างกายของเราดูอะไรต่างๆ อะไรที่มันมาทําให้เรามีความทุกข์เราต้องพยายามแก้ไขมันพิจารณาไปพิจารณาไปมันก็เห็นเองว่ามันความความหลงของเราทําให้เราไปมีความผูกพันกับสิ่งต่างๆเมื่อมีความผูกพันแล้วมันก็ต้องมีความทุกข์เพราะสิ่งต่างๆนั้นมันเป็นสิ่งที่มันไม่สามารถที่จะเป็นไปตามความต้องการของเราได้เสมอไปทุกสิ่งทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของมัน แต่ใจของเรามันมักอยากจะให้มันอยู่ตามตามสภาพเดิมอันไหนมันดีก็อยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นไปตลอดแต่เมื่อเป็นหรอกร่างกายของเราเห็นไหมมันก็เปลี่ยนของมันไปเรื่อยๆตั้งแต่เด็กมาจนกระท่อยานี้มันก็ยังเปลี่ยนอยู่นั้นเรื่อยๆแล้วมันก็ยังเปลี่ยนไปต่อไปจำกันมันจะถึงถึงจุดจบของมันเนี่ยถ้าเราพิจารณาอยู่เรื่อยๆนี่แล้วเราก็จะคลายความผูกพันกับมันยอมรับความจริง แล้วใจมันสบายใจกับใจมันก็แยกออกจากกายได้ใจมันก็รู้ว่าเหมือนกายไม่ใช่มันเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่กายเพียงแต่ว่ามันไปหลงไปคิดว่ามันเป็นมันนั่านเองเป็นเราเป็นของของเราและจริงแล้วมันเป็นของธรรมชาติเป็นเหมือนต้นไม้ใบหญ้าร่างกายของเรามันเหมือนต้นไม้ใบหญ้าต้นไม้นะถ้าเรารักเราไปชอบมันเข้า ถ้าเกิดต้นไม้ตอนนั้นเป็นอะไรขึ้นมาแล้วก็มีการเสียใจนะ่ยเพราะอะไรเพราะเราไปมีความผูกพันกับมันถ้าเราไม่มีความผูกพันกับอะไรเวลาเกิดขึ้นกับสิ่งนั้นนั้นมันก็ไม่สร้างความรู้สึกกระลให้กับเราดังนั้นปัญหามันอยู่ที่ความผูกพันที่เราไปมีกับสิ่งต่างๆเราต้องเราต้องยอมลัวความจรินว่าเราไปมีความผูกพันกับอะไรไม่ได้ในเรื่องนี้พอาผูกพันแล้วมันต้องทุกข์ทันที ยังไงจะ่ีนส่วนที่เป็นพ่อแม่แลแ้วจะทำยังไงนั่นแหละล <c oughs> เราเราเราเราไม่เห็นไงว่าลูกของเรามันไม่ใช่เป็นลูกของเราเราไปเห็นว่ามันเป็นลูกของเรามันก็เลยมีความผูขขกพันขึ้นมาถ้าเราเห็นว่ามันเป็นแค่เหมือนก็ต้นไม้ต้นหนึ่งอะได้ <c oughs> ความรับผิดชอบกับความเมตตาเนี่คือพี่แจงจงอธบายตรงนี้คือความเมตตามันมันมั น, ม, นมันไม่ใช่หรอกเราเรียกว่าความเมตตากามจริงมันเป็นความอย่างมากกว่าทำไมเด็กคนอื่นเราไม่เมตตาทําไมเราต้องมาเมตตาแต่เฉพาะไอเด็กคนนี้เด็กมันมีต้องเยอะแยะเป็นหมดใช่ไหมดังนั้าความเมตตาที่แท้จริงมันต้องเสมอภาค มันต้องไม่มีฝักมีฝ่ายไม่มีเขาไม่มีเราถึงจะเรียกว่าเป็นความเมตตาอย่างนี้มันเรียกว่าเป็นความหลงเป็นความรักเป็นความหลงความรักที่เกิดจากอุปทานความยึดมั่นว่าเขาเป็นสมบัติของเราถ้าเขาไม่เป็นสมบัติของเราเช่นลูกชาวบ้านเขาจะเป็นยังไงเราไม่เห็นมันร้องห่มร้องไห้กับเขาแต่ถ้าเป็นลูกของเราไปติดยาเจ็บติดขึ้นมาเนี่ยเราเดือดร้อนมีไหว แตถ้าลูกชาวบ้านเขาไปติดทุกติดตะรางเราไม่เดือดร้อนลูกของคนอื่นเราไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ได้ถือว่าเขาเป็นลูกเราเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเราแต่คนนี้มันออกจากท้องเราเราก็เลยมีความผูกพันกับมันความจริงไอ้ส่วนที่มันมีความผูกพันกับเรามันก็เพ ن เพงแต่ส่วนร่างกายเท่านั้นเองแต่ส่วนจิตใจนี่มันเป็นใครมาจากไหนเราก็ไม่รู้ ดวงวิญญาณมันเข้ามาครอบครองร่างกายอันนี้ที่เราสร้างขึ้นมาในท้องของเราได้นคนที่มาเป็นเจ้าของร่างกายอันนี้มันไม่เราไม่รู้จักมันมาก่อนดีไม่ดีมันอาจจะเป็นศัตรูของเราในอ ด, ดีตก็ได้เป็นเจ้ากรรมนายเวรของเราก็ได้ถึงต้องมาทุบกับมันนี่ในในส่วนความรับผิดชอบท่านอาจารย์ก็ยังต้องให้ทําเต็มที่ใช่ไหมก็เลี้ยงมาเสิมีอาหารก็มันกินแต่มัน ถงไปเรียนหนังสือก็เรียนไปสอนเรื่องบาปพุนคุณทอดก็สอนไปเสร็จแล้วก็มันจะไปติดยามันจะไปกินเหล้าเมายาก็เรื่องของมันนั่นแหละเราไปทุกข์กับมันทําไมนะเราไปห้ามมันได้ที่ไหนนะก็ห้ามันไม่ได้อยู่ดีเหมือนกับว่าเราได้อา pple มาแต่เราอยากจะให้อา pple นี้มันเป็นส้มเนี่ยมันเป็นไปได้ไหม มันเป็นไปไม่ได้หรอกนั่งไปร้องห่มร้องไห้ไปอยากจะให้มันเป็นส้มมันก็ไม่เป็นส้มหรอมันก็เป็นแอปเปิลอยู่นั่นน่ะ <c oughs> คนเราก็เหมือนกับผลละมาเนี่ยแต่ละคนมันมีเจลลิตนิสัยไม่เหมือนกันบนบางคนก็เหมือนกับส้มบางคนก็เป็นเหมือนมันานาบางคนก็เป็นเหมือนกล้วยเขาเป็นของเขาอย่างนี้มาตามบุญตามกรรมไงตามทีท่บทีเทอดสวนกันว่าเรามีกรรมเป็นของของเราเราทํากรรมอนันใดไว้เราก็ต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น ลูกของเราเขาก็ทำบุญทากรรมของเขามาเมื่อเขามาเกิดก็ใสาท้องเรามาเกิดเท่านั้นเองแต่ใจของเขานั้นเขามีมีมีกรรมเป็นเป็นพ่อแม่เขาเป็นเผ่อพันธ์เขาถ้าเขาเป็นคนดีอยู่มามาเกิดเขาก็เป็นคนดีเราไม่ต้องไปสั่งไปสอนเขาเขาก็ดีอย่างพระพุทธเจ้ามาเกิดเนี่ยไม่ต้องมีใครไปสั่งไปสอนท่านก็ดีของท่านมีแต่คนจะพยายาม ไม่ให้ท่านดีสิอย่างพ่อของท่านไม่อยากให้ท่านออกบวชนะฮะแต่ท่านก็ออกบวชเพราะบุญที่ท่านสร้างมามันมีพลังมากไม่มีใครที่จะมาต้านยิงได้เช่นเดียวกับกรรมถ้าใครสร้างกรรมมาอย่างเทวทัตเองนะสร้างกรรมมาไว้มากถึงแม้ได้บวชได้อยู่กับพระพุทธเจ้าก็ยังต้องมาก่อเวรก่อกรรมกับพุทธเจ้าอยู่อันนี้เป็นเรื่องของบิ่ของกรรมที่เขามีมาติดตัวเขา เราทำได้ก็เพียงแต่ว่าดูแลเลี้ยงดูเขาตอนที่เขาช่วยตัวเขาเองไม่ได้แต่อตอนที่เขาเป็นเด็กเราก็ต้องเลี้ยงดูเขาให้เขามีปัจจัยสี่เมื่อเขาโตขึ้นก็ส่งเขาเรียนหนังสือตอนเขาเรื่องบากบุญคุณโทษอะไรเท่าที่เราจะมีความสามารถสั่งสอนเขาได้ก็เท่านั้นเขาจะรับได้หรือไม่ได้มันก็อยู่ที่ตัวเขาอย่างพ่อแม่ว่าจะมาก็ไม่อยากจะให้เราบวชอย่างเนี้ย แต่เราก็ดันมาบวชนี่ไงใช่ไหมมันเป็นเรื่องของบุญของกรรมของแต่ละคนพ่อแม่บางคนก็เสียใจที่ลูกบวชพ่อแม่บางคนก็ดีใจที่ลูกบวชมันก็อยู่ที่จิตใจของพ่อแม่เว่ามีบุญมีกรรมมากน้อยเพียงไรถ้าพ่อแม่มีบุญมากเขใจถึงเรื่องเรื่องบุญเวลาเห็นใครบวชก็ดีอกดีใจตา่างแต่พ่อแม่ที่ไม่มีบุญก็ไม่เข้าใจเรื่องบุญพอลูกของตอนเองไปบวชเข้าก็เกิดความเสียใจขึ้นมา ทำไมลูกเราไม่เอาดีทางโลกเนี่ยทำไมไม่ก็คิดไปต่างๆนานาอันนี้มันก็เป็นเรื่องของบุญของกรรมแต่ละคนแต่โดยหลักแล้วก็คือว่าอย่าไปยืเดเยื้อไปติดเราต้องพยายามทำความเข้าใจว่าคนเราทุกคนนะมันมีมีชีวิตของเขามีทางเดินของเขาถ้าเขาเกี่ยวข้องกับเราก็ใช้ความเมตตาเมตตาแบบที่ไม่มีความผูกพัน คือช่วยเหลือกันไปตามสภาพที่สมควรที่จะช่วยเหลือได้เช่นก็อย่างที่บอกเนี่ยก็เลี้ยงดูเขาอะไรให้เขาไปเสร็จแล้วเขาจะไปทางไหนมันก็เป็นเรื่องของเขาเราอยากจะให้เขาบวชเขาไม่บวชเนี้ยเราก็เสีย อ, อกเสียใจละเนี่ยแต่เรายอมรับว่า เ, เขาไม่อยากจะบวชก็มันก็เป็นเรื่องของเขาเราเราเปิดช่อง ใ, ให้เขาแล้วเปิดโอกาให้เขาแล้ว เหมือนกับเราให้เงินเขาก้อนหนึ่งเขาไม่เอาเราจะไปเสียใจทำไมใช่ไหม เ, เมื่อเขาไม่อยากจะได้เงินก็เรื่องของเขาเขา อ, อยากจะไปทางไหนก็เป็นเรื่องของเขาการปล่อยให้เขาไปตามทางของเขามันก็เป็นความเมตตาอย่างหนึ่งเหมือนกันน ะ, ะดีกว่าการที่อยากจะดึงให้เขามาไปตามทางที่เราต้องการให้เขาไปอันนี้ก็ไม่ใช่ความเมตตากลับจะกลายเป็นความเกลียดชังกันขึ้นมาเพราะเราไปบังคับใจเขาแล้วเ ข, เขาก็ไม่ชอบขึ้นมา ดีไม่ดีก็อาจจะทะเลาะกันไปโกรธชังกันไปก็มีเกลียดชังกันไปก็มีแล้วเราต้องรู้ว่าเราเป็นเหมือนกับเหมือนกับคนพายเรือเท่านั้นน่ะเหมือนกับครูบาอาจารย์น่ะก็สอนเด็กพาให้เด็กข้ามฟากไปแค่นั้นเองเด็กจะกระโดดลงจากเรือไปกลางทางก็ช่วยไม่ได้นะเราเป็นหน้าที่เลี้ยงดูให้ลูกเขาและรู้จักผิดถูกดีชั่วให้เขาสามารถที่จะพึ่งตัวเขาเองได้ก็หมดหน้าที่ของเราแล้วเี่ย ถ้าเขาจะเลือกไปทางดีมันก็เป็นดินของเขาถ้าเขาจะเลือกไปทางไม่ดีมันก็เป็นกรรมของเขาไม่มีใครที่จะไปบังคับจิตใจของใครได้ในที่สุดเราก็ต้องตายจากเขาไปก่อนเวลาเราตายไปแล้วเขาเพราะแล้วใครจะมาบังคับเขาล่ะหลังจที่เราตายไปแล้วถ้าเราคิดว่าเราสามารถบังคับก็ได้ไตลอดถ้าเราตายไปแล้วเขาก็เขาก็ต้องไปตามทางเขาอยขณะที่ฮะ อาจจะดีใจอ <c oughs> <น>ะไรเงยหมดคนบังคับไปลาเมื่อท่านจนจะขอออกบวชโยมพ่อโยมแม่ท่านจนห้ามเยอะไหมคะไม่ก็โยมแม่เขาก็อนุโมทนาแต่โยมพ่อเขาก็าก็ไม่ไม่เห็นด้วยจริงความเห็นของคนไม่เหมือนกันเหมือนกัน โยวพ่อเขาคิดว่าเราเหมือนกับเป็นเหมือนกับคนไม่มีช่องทางไปแล้วเลยถึงต้องไปอาศัย<ม>บวชกินอยู่อย่างเงี้ยเ<ม>ขาคิดอย่างนั้นเที่บคนที่ไปบวชนี่เป็นเหมือนกับคนที่ไม่มีไม่มีทางไปแล้วเขาก็คิดว่าเราไม่ใช่เป็นคนแบบนั้นเราก็ไปเรียนหนังสือมามีความรู้ความสามารถสามารถที่จะไปทำอาหารกินได้ทําไมต้องมาทอดแท้กับชีวิต เราคิดแบบนั้นเราเรียกคนที่ไปบวชนี้ยเป็นคนที่มีความทอดแท้ต่อที่วิตคือคนขาดเึ็นคนกันคนมีปัญหาอไปคนสิ้นท่าคนไม่มีปัญญาที่จะต่อสู้กับการดํารงชีวิตได้เราคิดอย่างนั้นเราจะให้เราอยู่ต่อสู้ต่อไปอย่าไปทอแท้คิดอย่างนั้นแต่เขาเ็คนที่เป็นเพ่อแม่ลูกกันเขาต้องมีเหตุมีในกันถูกกันมาต่อเยต่อกัน อันนี้อาจามาก็ไม่ทราบถ้าให้พูดก็แบบว่ามันก็เป็นได้ทั้งสองอย่างมีความผูกพันกันมาก็มีอาจจะไม่มีความผูกพันก็มีเหมือนกันมันไม่มัไม่แน่นอนมันต้องขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของแต่ละคนแต่โอกาสที่มันมีอาจจะมีก็ได้เพราะว่าท่านบอกว่าเราเวียนว่าตายเกิดกันมานับพบไม่ถ้วนแต่เราก็คงจะมาเคยเจอกันแบบนี้มาอยู่หลายครั้งหลายผลแล้วพอมาเจอกันซับมันมันมันตายกันได้มันก็รู้เอง วันเรามันคนเวลาเจอใครนี่รับรู้เลยว่าชอบคนนี้หรือรู้เลยว่าไม่ชอบคนเนี้ยมันเป็นความรู้สึกที่มันฝังอยู่ในใจของเรามาก่อถ้าจะให้รู้จริงก็ต้องเป็นคนที่เราลึกชาติได้อย่างพระเจ้าชเวลาเนี้ยท่านจะรู้ว่าเออคนคนนี้เมื่อก่อนนี้มีอะไรกันเรามาอย่างพระเทวราชานี้ท่านก็เล่าความประวัติความเป็นมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าเป็นอะไรกันมาแต่ดั้งเดิม หรือพ่อมาเฮสีท่านเคยร่วมทุกข์ร่วมทุกข์กันมาอย่างไรอันนี้ก็ต้องเป็นมือความสามารถอย่างทราบถึงเห็นอดีตชาติได้เท่านั้นถึงจะรู้ได้อาจารย์ก็ได้อย่างเขาเล่ามาที่ท่านลูกจะต้องมีด อ, อกมีดามนดานสมมติว่าบิดามันดานออาา น, ดานิดแก่แล้วก็จริงแล้วก็อยากลูกก็อยากออกมาปฏิบัติแต่ถ้าออกมาปฏิบานานัตนะิมันหามพ่อแม่ก็ต้องเหนื่อย คือต้องทํางานด้านเองที่คิดว่าบาสนี่ครับเพราะจริงชีวิตมันไม่แน่นอนถ้าจะรอว่าเลี้ยงดูพ่อแม่ก่อนแล้วตัวเองค่อยออกมาปฏิบัตนะิเราก็ไม่รู้ว่าเราจะตายเป็นเมื่อไหร่คือความจริงเลี้ยดูพ่อแม่ก็เป็นการปฏิบัติอย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราไม่ดูแลพ่อแม่แล้วใครจะดูแลท่านอ่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นบางทีมันก็เป็นเรื่องของคล้ายๆเหมือนกับว่าเป็นเป็นทางที่เราจะต้องไปอ่ะคือเรา ไปทางตรงไม่ได้เราก็ต้องไปทางนี้ก่อนเพราะเรายังมีเลีเ้ยงพ่อแม่ก่อนเพราะถ้าเราไม่เลี้ยงท่านเวลาเราไปปฏิบัตินี่เดี๋ยวจิตเราก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาอยู่ดีเกิด mm hmm. ความรู้สึกว่าไม่ดีกับตัวเองขึ้นมาแล้วก็จะไม่สามารถปฏิบัติได้แต่เราก็คิดว่าการเลี้ยงดูพ่อแม่ก็ไม่ใช่น่าจะเป็นอุปสรรคที่จะทําไม่ทําให้เราไม่สามารถปฏิบัติได้ถ้าเราฉลาดพอแล้วก็สามารถที่จะ จัดการได้คือหมายถึงว่าเราก็คงจะมีเวลาตีกไปได้บ้างไม่ใช่ว่าจะต้องดอูพระท่านไปตลอดอะไรอย่างนี้เน่อกจากว่ามันเป็นเหตุเหตุจําเป็นจริงๆท่านเลี้ยงดูตัวท่านเองไม่ได้แล้วไม่มีใครสามารถที่จะมาทํางานหน้าที่แทนเราได้แล้วก็ใช้ใช้ท่านนี่แหละเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นเหตุการณ์สร้างบุญบา ร, รมีของเราไปก่อนก็ได้ เหมือนกับพระอา น, นุนเนี่ยถ้าไม่เหมือนกับพระสาวกองเองื้อท่านปฏิบัติการพุทธเจ้าต้องยี่สิบห้าปีท่านก็ไม่ได้บรรลุธรรมที่สูงกว่านั้นในขณะที่อยู่กับพุทธเจ้าท่านก็เป็นแค่พระโสดาบันนั่นเองแต่พระรูปอื่นนี่ท่านบวชพ่าฟังเทศธรรมธรรมเสร็จท่านก็ไม่มีภาร ะ, ะที่จะต้องมาคอยวชปฏิบัติพระพุทธเจ้าท่านก็ออกไปปฏิบัติท่านก็บรรลุ ก, กันอย่างรวดเร็วกันเยอะแยะยไปหมดมันก็เป็นเรื่องของวิถีชีวิตของแต่ละคนมัน แต่ในที่สุดแล้วพระนั้นก็ได้ประโยชน์มากการที่ได้อยู่กับพระเจ้าก็ได้ยินได้ฟังธรรมตลอดเวลาและเมื่อพระพุทธเจ้าเสเด็จเสเด็จปาริณิพันไปแล้วเพียงสามเดือนท่านก็บรรลุเป็นพระองค์ได้ะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าการที่การปฏิบัติดูแลพ่อแม่ของเรานี้มันเป็นการเป็นอะุปสรรคแต่ว่ามันเป็นเป็นทางเดินของเราดีกว่าเพราะเราจะต้องไปทางนี้ก่อนแต่ในที่สุดมันก็จะพาให้เรา มีความแน่วแน่มั่นคงต่อการที่จะไปไปสู่จุดหมายปลายทางของเราอย่างแท้จริงดีกว่าไปแบบชิงสุกก่อนห่านะถ้าไปชิงสุกก่อนห่างบาทีมันไม่สุกอ่ะมันแบบว่าทะเลเทไปเลยในที่สุดมันอาจจะเสียไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราปัจจุบันเราอยู่ที่ไหนตรงไหนความจริงเราก็สามารถปฏิบัติได้ในที่นั้นเพียงแต่ว่าจะได้มากหรือน้อยเท่านั้นเองอย่าอย่าไปกงงังวล การทำความดีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเวลาไหนมันก็ถือว่าเป็นความดีที่จะพาให้เราไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราต้องการจะไปด้วยกันเท่นั้นเองท่านพูดอย่างนี้หมายความว่าการทำทุกอย่างมันก็คือสามารถปฏิบัติได้ได้องมว่าอย่างช้านเนี่ยจะเลือกวัดมันก็เป็นแบบจะเลือกวัดที่จะไม่มีผาเสิยในการทำงานเลย สงสัยว่าทีทพเวลาทำงานก็สามารถจัดการได้เช่นกันไม่ใช่เหรอคะใช่ถ้าเราถ้าเราไม่มีทางเลือกก็ทําได้แต่ถ้าเรามีทางเลือกที่ดีกว่าทําไมเราไม่เลือกทางที่ดีกว่าแค่นั้นเองถ้าเราไม่มีทางเลือกก็ต้องทําทางนี้ไปก่อนแต่ถ้าเรามีทางเลือกที่ดีกว่าเช่นมีถนน2เส้นเส้นหนึ่งรถติดเยอะแยะมันก็ไปได้แต่มันช้าก็มีอีกเส้นหนึ่งมันว่างเนี่ยเราไม่ไปเส้นนั้นเลย แต่ถ้ามันไม่มีเส้นนั่นจะไปมีเส้นเดียวมันก็ต้องไปเส้นนี้ก่อนจนกว่าถนนมันจะว่างขึ้นไปเองของมันคือเราสามารถปฏิบัติได้ด้วยกันไม่ว่าจะอยู่ในสภาพไหนเป็นใจว่าจะได้มากได้น้อยจะเร็วหรือจะช้าแค่นั้นเองแต่บางครั้งบางคราวเราไม่มีทางเลือกอ่ะมันก็ต้องมันก็ต้องอยู่ไปตามสภาพมันก่อนมันมีความมันมัเหยือนครัว่าเหมือนกับว่าเป็นภาระ ที่มันติดค้างอยู่ที่เรายังไม่สามารถที่จะปลดเปลื้องไปได้เราก็ต้องต้องอยู่กับสภาพนั้นไปก่อนแต่การอยู่ในสภาพนั้นก็หมายในค้างว่าเราจะต้องอยู่เฉยๆล้วก็ยังภาวนาได้แล้วก็ยังอ่านหนังสือธรรมะได้เลี้ยงดูพ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงดูตลอด24ชัออ่วโมงใช่ไหมเวลาให้อาหารท่านเสร็จแล้วเรามีเวลาแล้วก็มาเปิดหนังสือธรรมะอ่านมานั่งสมาธิของเราก็ได้เพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่เข้มข้นเหมือนกับการที่เราได้ไปปฏิบัติ ของเราที่วิเวกที่วัดที่ไหนอย่างเงี้ยแต่มันก็ยังทําได้อยู่ก็ทําไปก็เหมือนกับขัรถที่มันรถมันติดเนี่ย้ถมันไม่มีทางอื่นจะไปมันก็ไปทางนั้นไปก่อนแต่พอมันมีทางที่จะไปได้แล้วก็ไปเลยเน้นอาตมาถึงเล่าให้ฟังว่าชีวิตของคนเราแต่ละคนมันจึงไม่เหมือนกันอย่างของอาตมานี่มันมันมันมันค่าคๆมันเป็นบุญเป็นอะไรของมันไม่ทราบมัน มันถึงเวลามันมีช่องไปของมันโดยที่เราก็ไม่ได้เคยคิดเนี่ยตั้งแต่เกิดมาไม่เคยคิดว่าจะจะมาบวชเป็นพระเพโดยโด ย, โดยปกติที่บ้านก็เป็นคนแบบว่าไม่ได้เข้าวัดเข้าวาพ้องแม่ไม่เข้าวัดเข้าวานะเราไม่เคยเข้าวัดเข้าวา้วตอนเรียนหนังสือแล้วก็เรียนลล น, น้ลงเรียนคลิปมีของเก่าเยอะมีของเก่ามาเยอะน้อเรียนคลิปแล้ ว, ลลลวเกิดจะเป็นคลิปแล้วแต่ในในใน ในว่าราสุดท้ายที่จะตั้งตัดสินใจแล้วก็บอกเราไม่เอาเอาึเ่ น, นเคนมีปันหาอันนึ่งรู้ว่านั่งไปหลายชั่วโมงเนี่ยนะคะเมื่อเกิดที่พัฒนามากมากเลยเออบางได้พยายามดูเขาแต่ว่าบางทีตรงส่วนหนึงเนี่ยเขาหายมันก็จะเรื่องม า, เ, าเป็นมันมันจะเรื่องไปเรื่อยท่นานจะแก้ตรงนี้ยังไไม่ให้ไม่ให พิจารณาตรงบริเวณนั้นหรือให้ไปดูอย่างอื่นเลยคือมันแก้ได้สองสองแนวทางคือแนวทางของสมาธิก็คือบริกรรมอย่างเดียวอย่าไปสนใจว่ามันจะเจ็บจะปวดตรงไหนไม่ต้องไปสนใจกับมันทั้งสิ้นเหมือนเรานั่งคุยกันขนาเนี้ยเราไม่ไปสนใจเรื่องเสียงเรื่องอะไรมันจะมาลบกวนเราอย่างไงถ้าเราไม่ไปสนใจมันมันก็จะไม่เข้ามาในใจเราเราก็สามารถคุยกันได้เรามีสมาธิอยู่กับการคุยกันได้ แต่ถ้าเราไปเกิดความรู VII ้สึกลังคาลังควานเสียงต่างๆนี่เดี๋ยวเราก็เ se er สียสมาธิคุยกันไม่รู้เรื่องการภาวนาก็แบบเนี้ยถ้าเกิดความเจ็บปวดตรงนั้นเจ็บปวดตรงนี้คันตรงนั้นคันตรงนี้ถ้าเราไม่ไปสนใจมันเราบริกรรมอย่างเดียวให้มันอยู่กับอันั้นไปเรื่อยๆก็มันก็อยู่ได้แต่ถ้าเราเราหยุดเมื่อไหร่หรือเราไปเกิดไปเกิดไปรู้สึกโอ้เจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ทนไม่ไหวแล้วนี่มันปรุงแต่งขึ้นมาแล้ว มันก็จะเริ่มเกิดอความทุกข์ภายในใจขึ้นมาแล้วแล้วมันก็จะทวีขึ้นไปเรื่อยๆเพราะตอนนั้นเราไม่ได้บริกรรมนะอันนี้ก็วิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งก็ใช้ปัญญาพิจารณาดูไอตัวเวทนานี้ว่มันมันเป็นยังไงมันทําไมถึงเราถึงถึงทนมันไม่ได้เป็นเพราะเราไม่ชอบมันใช่ไหมเอ่อทำไมเวทนาอย่างอื่นที่เราชอบมันถึงเราทําไมเรารับมันได้อะไรเงี้ย เช่นตอนที่อาจมาพิจารณาตอนนั้นมันแค่เกิดความรู้สึกว่าเราเราเราเปรียบเทียบเหมือนกับเสียงที่มันเข้ามาในหูเราเนี่ยเสียงที่เราชอบนี่มันจะดังขนาดไหนมันจะไม่ลบกวนใจเราแต่เสียงที่เราไม่ชอบแม้แม้แต่มันนิดเดียวเท่านะั้น้ามามันจะเหมือนกับเป็นเข็มที่มาแทงใจเราเพราะท่าที่มันก็เป็นเสียงเหมือนกันเข้าใจไหมเวลาคนสรรเสริญเยี่ยยอเราเนี่ยจะพูดขนาดดังขนาดไหนมันไม่มีปัญหา เราฟังได้แต่พอใครเขาตำหนิเรานิดเดียวเนี่ยเสียงเบาๆอันนี้ยคําเดียวเันนียมันก็ทําลายใจเราได้แต่เราก็พิจารณาดูว่ามันอยู่ที่ความชอบและความไม่ชอบของใจเราแต่เสียงมันก็เป็นเสียงเหมือนกันไอ้เวทนาก็มันก็มันก็เป็นสัมผัสของร่างกายเหมือนสัมผัสแล้วมันก็เข้าไปในในในใจเราไปรับรู้ที่ใจเหมือนกับเสียงสัมผัสเวทนามันก็มี สัมผัสที่เราชอบกับสัมผัสที่เราไม่ชอบไอ้สัมผัสที่เราชอบเนี่เราก็รู้เราก็จะไม่ไม่ไม่ลังเกียจมันแล้วก็สามารถรับมันได้ใช่เวลาเรานั่งดูหนังนั่งคุยกันนานๆนี่ยมันไม่รู้สึกเจ็บปวดตรงไหนเลยเพราะมันเพลินเราเราไม่ไปสนใจมันเนี่ยแต่พอเรานั่งสมาธินี่รู้สึกว่าอะไรนี่มาสัมผัสใจมันพร้อมที่อยากจะไปรับรู้ละไปมันมันมันไม่ยอมนั่งไงใจมันไม่อยากจะนั่งทีใจมัล้เราก็ ถ้าพิจารณาอย่างนี้ให้เห็นว่ามันก็ไอไอเวทนาเนี่ยก็เป็นเป็นสัมผัสอย่างนึงคือเป็นปวดทัพทะที่มันสัมผัสกันแล้วทําให้เกิดเวทนาขึ้นมาภายในใจรับรู้ขึ้นมาภายในใจถ้าใจไปยินดีมันก็เป็นสุขถ้าใจไปยินร้ายมันก็เป็นทุกข์ถ้าใจทําใจเป็นกลางๆว่าไม่ต้องไปยินดียินร้ายมันมันก็ไ ม, ม, ไม่มันก็ไม่เดือดร้อน ก็พยายามพิจารณานี้ไปพิจารณากลับไปกลับมาจนกระทั่งในที่สุดมันก็ยอมรับได้มันก็มันก็วางเฉยแต่เวทนาก็ไม่หายนะมันก็มีอยู่แต่มันไม่มันไม่ทรมานใจเพราะใจไม่ไปเกิดความรังเกียจเกิดความที่อยากจะให้มันหายหรืออยากจะหนีจากมันไปมันยอมรับได้ยอมรับว่ามันเป็นอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้ทนกันได้อยู่กันได้ อย่างนี้ก็เป็นสงบแบบหนึ่งแต่มันมันเป็นสงบแบบที่มันไม่ได้แบบว่ารวมลงแล้วก็นั่งกายนี้หายไปเวทนานี้หายไปมันไม่ใช่นั่งกายก็อยู่เวทนาก็อยู่จิตก็อยู่จิตแต่จินก็มันก็เหมือนกับนั่งไปสบายสบายไปอย่างเงี้ยทําการความรู้สึกที่มันเจ็บอยู่แต่มันไม่เจ็บจนกระทั่งทนไม่ได้มันก็อยู่ได้เนี่อุบายของการพิจารณานี้มันพูดยากของแต่ละคนนี่มัน ต้องต้องต้องสรรหากันเองแต่มันก็อยู่ในเนี้ยอยู่ในแนวเนี้ยอยู่ในแนวว่าของทุกอย่างเนี้ยมันมีเป็นของชิ้นเดียวกันเนี้ยมันมีทั้งหัวทั้งก้อยคือของชิ้นหนึ่งเนี้ยคนคนหนึ่งมองเห็นแล้วก็ชอบอีกคนหนึ่งก็ชังได้คนหนึ่งเห็นแล้วก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเลยคนอีกคนหนึ่งเห็นแล้วไม่เกิดเกิดความสุขขึ้นมาก็ได้ มันอยู่ที่เรามองมันเท่านั้นเองว่าเรามองแล้วเราชอบมันหรือเราชังมองแค่นี้ถ้าเรามองเราไปเจอในสิ่งที่เราไม่ชอบแล้วเราต้องเจอมันเนียถ้าเราทําใจไม่ได้เนี่ยเราก็จะทรมานมากแต่ถ้าเราทําใจว่าเอะมันหนีมันไม่พ้นอ่ะมันต้องเป็นอย่างนี้ก็ยอมรับมันยอมรับสภาพของมันมันจะเป็นอย่างนี้ถ้ามันเป็นไปอยากไปอยากให้มันหายเท่านั้นมันก็จบแ้่เวลาเกิดทุกเวทนาขึ้นมาถ้าเราสรุปได้ว่าทนได้มันจะเป็นนี้ให้มันเป็นไป ฉันก็จะภ า, าวนาขั้นต่อไปพุโทโธพุโทโธฉัน้นบอเธอจะเป็นไงก็เป็นไปฉันรู้ว่าเธอก็เป็นอย่างนี้ฉันบังคับเธอไม่ได้เธอจะอยู่ก็อยู่ไปแต่ฉันจะไม่รังเกียจเธอไม่อยากจะให้ไม่อยากจะหนีจากเธอไปแล้วเธอก็ไม่ต้องหนีจากฉันไปเธออยากจะอยู่ก็อยู่ไปเนียถ้าเราพิจารณาแล้วยอมรับความจริงอันนี้ได้มันก็จะมันก็จะอยู่กับเราไปแต่เราก็ไม่เดือดร้อนกับมัน เหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่ารูปเสียงกลิ่นรสผดสภาพก็เป็นลักษณะเดียวกันใช่ไหมอาหารอย่างหนึ่งเนี่ยคนนึงชอบอีกคนนึงไม่ชอบมัน ก, มนก็มันก็อยู่ที่ความชอบความไม่ชอบของใจแค่นี้ถ้าเราอีกคนนึงเฉยเฉยอยากก็กินได้ไม่กินก็ได้มันก็ไม่เดือดร้อนอะไรไอคนที่ชอบแล้วไม่ได้กินมันก็เดือดร้อนนะนะไอคนที่ไม่ชอบแล้วต้องกินก็เดือดร้อนแต่อีคนที่เฉยเฉยเนี่ยดีที่สุดกินก็ได้ไม่กินก็ได้ ได้กินก็ดีไม่ได้กินก็ดีคือพยายามสรุปแล้วก็คือพยายามตัดความชอบตัดความชังออกแล้วก็ให้เข้าอยู่ความความเป็นกลางไว้คือเมื่อมันมีอะไรมาก็ต้องมีมีต้องต้องอยู่กับมันก็อยู่กับมันไปเมื่อมันไปก็ไม่ต้องไปไปไปตามหาเมื่อมันไปแล้วก็ให้มันไปเมื่อมันมาก็มันมันมันยังไม่ไปมันก็อยู่ก็ให้มันอยู่ไปแค่เท่านี้ เนการนั่งสมาธิเวลาเกิดความรู้สึกเจ็บตอนนั้นปวดตอนนี้ก็เหมือนกันอ่ะมันมาละมันมาเยี่ยมเราและก็ให้มันอยู่ไปอย่าไปหนีมันล อ, ลองนั่งดูสิลองคิดว่าถ้าเรามีความเห็นที่ถูกต้องแล้วเราเข้าใจหลักของการนั่งแล้วต่อไปเราจะไม่ค่อยค่อยลังเกียจมันแล้วจิตของเราจะค่อยๆเข้าสู่ความสู่ความเป็นการ ่เช่นเดียวกับพวกอาการทางกายอื่นๆนะครัทุกอย่างอเหมือนกันหมดแหละคือเรารับเรารักษามันได้แก้มันได้ก็แก้ไปรักษาไม่ได้มันก็ต้องอยู่กับมันไปอย่างนั้นอ่ะจนกว่ามันกับเราจะจากกันไปคนละคนละทางเมื่อมันเป็นก็ต้องเป็นอ่ะเมื่อมียารักษาก็รักษาไปแต่อย่าไปอยากให้มันหายแล้วมันจะมันจะมันทรมานใจเมื่อมันไม่หาย แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ดูแลรักษามันนะที่ไหนก็บอกว่ามียาดีมีหมอดีแล้วรักษาได้ตอไปลองรักษาดูก็ได้หรือเราจะเป็นคนที่แบบว่าปงแล้วไม่เป็นไรไม่หายหายเดี๋ยวมันก็ต้องเป็นอีกถ้าคิดอย่างนี้ในที่สุดมันก็จะต้องตายอยู่ดีบางทีก็ไม่ต้องไปขวนขวายอะไรกัมันก็ได้ถ้าจิตใจมันถึงขนาดนั้นแล้วบางทีมันก็ไม่มันไม่สนใจ บางทีมันเห็นว่าวุ่นวายเสียเปล่าครูบาอาจารย์ท่านม่ยอมเข้าโรงพยาบาลก็เพ่อยอย่างนี้นมันวุ่นวายเมื่อใจมันไม่ไปกังวลกับมันแล้วมันไม่ก็มีปัญหาละก็เป็นยังไงก็ได้มีแรงมันไปตามอัตภาพถ้าใจยังมีความอยากอยู่แค่นั้นเน่ะมันเป็นเรื่องขึ้นมาเลยต้องดินน้นรนหมออยู่ที่ไหนดีขนาดไหนไกลขนาดไหนก็ต้องไปทอไป ที่ส่วนใหญ่ก็เป็นความหวังแบบนมๆแรงๆเรามีคนมามาบอกเราเสมอว่าเวลาเราไม่สบายขคุณรู้เป็นอะไรเขาหมอคนนั้นดีหมอคนนี้นดีเราไม่เไม่เป็นไรหรอกที่เกลียดไปดีกรูบาอาจารย์ไม่สบายท่านเองไม่ค ง, งกังวลแต่ลูกศิษย์ลูกศิษย์กั ง, งวลมาก <laughs> พยายามขนขวายหายไหนแนะนําบูบาทชันให้ห ย, ยุดยาไลยว่าเรามีความปรารถนาดีเราอยากจะให้ท่านหายแต่เราเรามีแต่ความอยากไงเราไม่มีปัญญาถ้ามีปัญญาท่านมองข้ามช็อตนี้ไปแล้วแต่ว่าหายคราวนี้เดี๋ยวมันก็ไปเป็นคราวหน้าต่อมันมองเห็นยังทั้งถึงจุดสุดท้ายอันที่สุดมันก็ไม่มีใครรักษาได้ มอว่า ม, มันเหมือนคนที่อยู่อาศัยด้วยกันแล้วเราพอดูแลพรออัตภพออั ต, ออตภาพแบบนี้ก็พอใช่ไหมถ้าที่เราจะดูแลได้คือกัรแดงที่ไม่ไปสร้างความวุ่นวายใจเท่านั้นถ้าถ้าเกิดความวุ่นวายใจแสดงว่าเราเร า, เราทําเกินเกินเกินวว ค, ความจำเป็นแล้ะคือเราไปสร้างความทุกข์ให้กับเ ร, เราโดยที่เราไม่รู้ตัวพยายามที่จะให้กายหายจิตใจนี่โอ้โหทุกข์เหลือเกินอย่าเงี้ยมันคุ้มค่าอยังไงที่เราไม่รู้เพราะใจของเรามันทุกข์อยู่ตลอดเวลา กรใจของของท่านที่ปฏิบัติแล้วมันมันไม่มีความทุกข์อยู่ในใจแล้วเนี่ยมันรู้เวลาจะ ต, ต้องไปทําอะไรแล้วมันวุ่นวายใจขึ้นมาเนี่ยท่านก็ไม่อยากจะไปเกี่ยวข้องกับมันคือท่านยอมแล้วว่าเนี่ยว่ามันจะต้องตายอยู่ดีอ่ะมันมีไม่พ้นอ่ะแล้วลท่านก็อยู่ไปทุกวันนี้่นก็ไม่ได้หวังนี่ครับไม่ไไม่ได้ต้องการอะไรกับกับการอยู่ร การอยู่ท่านกล่าว่าเป็นภาระทยอมากกว่าอย่างที่พระเจ้าสงสัยไว้ว่าภาระเฮเวปันจากขันธาขันห้านี้เป็นทุกข์มากเป็นภาระมากร่างกายนี้วันวันหนึ่งตื่นขึ้นมาก็ต้องหาท้าวให้มันกินละกินเสร็จแล้วก็ต้องเดินต้องเปลี่ยนเอเรียบทต้องอาบน้ําอาบท่าต้องอะไรต่างๆตอนไหนต้องทํางานนี่คนนี้นมาหาคนนี้มาหาต้งท่องเทศทั้งสอนทั้งพูดต้องอะไรเนี่มันก็มีแต่งานเท่านั้นแหะ เมื่อไม่มีร่างกายนี้มันสบายก็ไม่ต้องไปดูแลรักษามันจิตมันแยกมันแยกออกจากกายได้มันมันรู้ว่าอะไรเป็นจิตหรือว่าอะไรเป็นกายหรือว่าว่าอะไรทําให้จิตมีความสุขหรือว่าอะไรทําให้มันเป็นความทุกข์มันรู้มันมันสามารถที่จะแยกแยะได้ดนั้นอะไรที่จะที่จะต้องทร้างให้เกิดความทุกข์หรือความวุ่นวายใจมันก็ไม่อยากจะเอา ถ้สู้ปลอยมันไปตามอัตภาพดีกว่ามันอยู่ได้ก็อยู่ไปเมื่อมันอยู่ไม่ได้ถึงเวลาที่มันจะไปก็ไปไม่มีใครอยู่ขํามชาตหรอกทั้งวันหนึ่งทุกคนเราทุกคนก็ต้องไปกันหมดทีเียแต่ว่าขอให้เราอยู่แบบกําไรอย่าไปอยู่แบบขาดทุนคืออยู่แล้วได้ปฏิบัติธรรมได้สะสมบุญตอนนี้ได้ก้าวหน้าทางด้านจิตใจ จิตมีความสงบมากขึ้นจิต เ, เกิดปัญญาที่สามารถที่จะต่อสู้กับกิเลสทันหาที่มีอยู่ในใจของเราเนี่ยแหละ <c oughs> คือความอยากความรักความชังทั้งหลายเนี่ย <c oughs> ที่เราต้องแก้ไขมากกว่าสิ่ อ, อื่นคนอื่นเราไม่ต้องไปแก้ไขเขาหรอกเขาก็ต้องทุก ค, คนต้องเป็นที่พื่นของตนเองในที่สุดไม่มีใครแก้ไขใครได้เราต้องแก้ไขตัวเราเองโดยอาศัยคําสอนของผู้รู้ พระเจ้ทาท่านไม่สามารถมาแก้กิเลสของเราได้ครูบาอาจารย์ท่านก็แก้กิเลสเราไม่ได้ท่านมีแต่คอยแนะนำวิธีแก้ให้กับเราได้แต่ถ้าเราไม่เอามาแก้มันก็แก้ไม่ได้อยู่ดีฉนั้นจงพยายามมองเห็นว่าร่างกายนี้เป็นเหมือนกับเครื่องมืออันหนึ่งเครื่องมือมามีไว้สําหรับมามาแก้ปัญหาในใจเราเราต้องมีร่างกายนี้เพื่อจะได้ได้ยินได้ฟังธรรมะ เนี่ยได้ยินได้ฟังธรรมะแล้วก็จะเอาร่างกายนี้มาทํางานมาแก้กิเลสเดินจงกรมนั่งสมาธิพยายามฝืนต่อสู้กับกิเลสกิเลสมันก็ต้องการร่างกายเหมือนกันต้องการเอาร่างกายนี้ไปทํางานของกิเลสเห็นมันก็อยากจะไปเที่ยวไปดูหนังฟังไปไปกินเลี้ยงไปอะไรอย่างนี้นี่ก็เป็นกิเลสมันก็ต้องการใช้ร่างกายนี้เหมือนกัน เราก็ต้องการใช้ร่างกายนี้เหมือนกันหรือร่างกายนี้เราก็ต้องพยายามดึงมันเข้าทางจงกรมให้ได้ดึงมันเข้าวัดให้ได้เอย่าไปไปตามทางกิเลสถ้าเราสามารถเกินกิเลสได้แล้วต่อไปกิเลสตัณหามันก็จะหมดไปหมดไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรมาสร้างความลบสร้างความลคาลคาญใจให้กับเราอยู่ที่ไหนก็สบายอยู่ที่ไหนก็เป็นสุขจะนั่งจะเดินจะนอนก็มีความสุขอยู่ในใจของมันเอง เราไม่มีอะไรมาสร้างความนองคาญใจให้กับเราไม่ต้องไม่มีความอยากไม่มีไม่มีความต้องการอะไรภายนอกที่อยู่ที่กินก็พราะร่างกายมันต้องการนั่นกินตามความร่างกายตามความจําเป็นของร่างกายแต่จิตใจแล้วไม่เร่มีความอยากจะมีอะไรอยากจะเป็นอะไรไม่ดีเหร อ, อย่างเนี้ย ไปหาครูบาอาจารย์มากันสี right? ่ป <keyboard inflammation hills> cool ีแล้วล่ะไม่ไปทิ้งอะไรเลยจ้ะไปก็ถือว่าโชคดีนะได้พบกับครูบาอาจารย์สายนี้อันนี้เหมือนกับได้กลับไปในสมัยพุทธกาลเลยทุกสิ่งทุกอย่างนี่เป็นเหมือนในสมัยด้สมัยที่พระพุทธเจ้าทรงนำพาปฏิบัติเพราะสมัยที่เราอ่านหนังสือจากพระไตรปิฎกก็มีเรื่องแบบนี้เท่านั้นน่ะมีแต่พระปฏิบัติมีแต่พระ เดินจงกรมนั่งสมาธิกันอยู่ตามปา่าตามเขาเห็นมีแบบที่เราเห็นกันตามบ้านตามเมืองทุกวนันนี้แต่ก็ยากนะสำหรับคนที่จะเข้าใจพระทางสายปฏิบัตินี้เพราะถ้าเกิดมีความถูกถูกถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เล็กว่าศาสนาพุทธต้องเป็นแบบนี้ต้องต้องมีการทำบุญต้องมีการอะไรมีงานสมโพธ์มีอะไรต่างๆเหล่านี้ มันก็จะไม่เข้าใจว่าทําไมพระป่าก็อยู่ขั้ดังนี้แต่ถ้าเราลองศึกษาที่ต้นฉบับเลยลองไปศึกษาในจากรกไตรปิฎกเลยเนี่ยเราจะเห็นความแตกต่างกันเลยสมายพระุทธกาลในพระเจ้าไม่เคยสร้างวัดแม้แต่วัดเดียวมีแต่สัตยาญาณโยมสร้างถวายให้พระไม่เกี่ยวข้องกับการเริ่มที่ต้องไปสร้างวัดสร้างวาวไปเรื่อยลายพระป่ า, ป า, าอะไรต่างๆไ ม, ไม่มีเนี่ยงานไม่ใช่งานของพระ ถ้าไม่มีเขาสร้างวัดให้ทั้งก็สอนให้อยู่ตามคนม้อยู่แล้วให้อยู่ตามถาม้ำตามเรือนร้างเนีย่ยนั่นคือที่อยู่ของพระในสมัยพุทธกาลถ้าไม่มีวัดอยู่นะสมัยที่พระพุทธเจ้าประกาศสอนธรรมะใหม่ๆท่านก็อยู่กันเนี่ยปรากฏอยู่กันตามตามคนไม้ตามที่สงบสงัดผ้าจีวันสมัยนั้นยังไม่มีคนถวายเลยต้องไปเก็บเศษผ้าที่ก็าทิ้งไว้ตามสลาช้าตามกองขยะ ก็ตั้งเรียกว่าผ้าป่าไงผ้าป่าผ้าที่ทิงอยู่ตามป่าช้าเศษผ้าได้มามากน้อยเท่าไหร่ก็สะสมไว้แล้วก็มามาม า, มาปะมาเย็บทำให้เป็นพื้นใหญ่ขึ้นมาแล้วก็เอาไปซักเอาไปย้อมทีก็หอมได้ละสมัยใหม่ๆนี้ไม่มีใครไม่มีใครถวายผ้าจีวรให้พระลาบากมากเรื่องผ้าสมัยก่อน ท่านถึงท่าน ถ, ถึงต้องดูแลรักษาผ้าเหมือนกับเป็นส่วนของชีวิตของท่านเลยผ้าคลองสามผืนนี้จะต้องรักษาอยู่ไปไหนต้องติดตัวไปตลอดเวลาต้องไม่อยู่ปราศจากผ้าคลองทั้งสามผืนอีกอย่างก็ต้องมีก็คือบาตรบาตรนี้สําคัญมากเพราะถ้าไม่มีบาตรก็ไม่มีข้าวกินก็ต้องดูแลรักษาบาตรแต่ท่านอยู่กันแบบง่ายๆ เ, เรื่องวัตถุภายนอกนี้ท่านไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ แต่ท่านมีเวลาที่จะบำเพ็ญมากและท่านก็บรรลุ ก, กันเยอะหลายเพื่เจ้านี่คนคนบำเพ็ญสมาธิกันมามากแล้วนักบวชในรัฐที่อื่นนี่เขาได้ฌานกันได้ได้สมาธิกันแต่เขาไม่มีปัญญาเท่านั้นเองเขามองไม่เห็นกายรักเขามองไม่เห็นอนัตตาคุยง่ายเขาเห็นอนิจจังเขาเห็นทุกข์แต่เขาไม่เห็นอนัตตา เขาไม่รู้ว่าอนัตตานี้มันไม่มีมันเป็นสมมุติที่เราสร้างขึ้นมาเองแล้วก็เชื่อกันมาฝังลึกมาอยู่ในจิตใจของของสุตุชนมาตลอดมีพระพุทธเจ้าท่าน ท, ที่พิจนารณาแล้วค้นหาอย่างเต็มที่ในตัวท่านแนละ้ว ห, หาทั้งในกายหาทั้งในจิตหาตรงไหนก็ไม่มีตัวตนสักทีตัวตนก็มีอยู่ที่ความรู้สึกนึกคิดนี้เท่าั้เอง พอถ้านํามาประกาศสอนพวกฤาษีทั้งหลายเขาก็บรรลุมรักผลนิพพานได้อย่างรวดเร็วเพราะเขามีศีลแล้วเขามีสมาธิแล้วสิ่งที่เขาขาดก็คือปัญญาเท่านั้นเองเวลาพระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมให้กับพวกนักบวชบัดที่อื่นเนี่ยเท่มแสดงทีห้าร้อยรูปเนี่ยก็บรรลุปเป็นพระอนันตทีห้าร้อยรูปขึ้นมาเลยที่ดูภายนะเพียงไม่กี่เดือนนับตั้งแต่วันแรกที่สอนวันเพ็ญเดือนแปด จนถึงวันเพ็นเดือนสามฟนมาข้าบูชานีก็เจ็ดเดือนมีพ้าอรนหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปมาฝ้าพระพุทธเจ้าดูแต่ก่อนนั้นก่อนที่พระพุทธเจ้าตัด ย, ยังไม่ได้ประกาศสอนธรรมะไม่มีพ้าอ า, ารานแม้แต่รูปเดียวเพราะไม่มีใครจะรู้เรื่องเหล่านี้ได้นอกจากพระพุทธเจ้าองค์เดียวท่านั้นเองแต่มีพระพุทธเจ้ามาเปิดมามาเปิดแก้ไข แก้ไขปิตาณานี้ได้แล้วพอคนอื่นฟังแล้วไปพิจารณาปั๊บเขาก็เข้าใจพอเขา้าใจเขาก็ปล่อยวางเลยเมื่อก่อนนี้เราลอกว่าอเด็กคนนี้เป็นลูกเราแล้ ว, ลวก็ห่วงมันรักมันแต่ที่ไหนได้พยาบาลหลออันนี้เป็นลูกของคนอื่นเขาเขาสลับมาให้เราเนี้ยใช่ไหมเพราะลูกไม่ใช่ลูกเราปั๊บเราก็ไม่อยากจะเลียงมืนกันความรู้สึกออกทันทีนใช่มันปล่อยไนันคือ เราต้องพยายามทำความเข้าใจได้มันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราอืมแค่นั้นมันก็หลุดพ้นมันก็มันก็ไม่ทุกข์กับมันอีกต่อไปท่านอาจารย์คะอย่างสมมติว่าเรารู้ว่าทางนี้เป็นทางที่ดีแล้วเราเข้าใจแต่ว่าคุณไค้ตัวเราเขาไม่ยอมรับเพราะเขาไม่ได้มาทางนี้ก็เราไม่ได้มงช่วยเขายังไงหอล่าเฮ้ยไม่ไม่ต้องไม่ช่วยเขาช่วยนะครับเอาจารณ์ถ้าไม่ช่วยใครไหมเส้นกระโดดออกจากในวางคนเดียวอะ เราเราคุณลุงเห็นเห็นดีเราก็ทําอะไรไม่ได้ไม่ได้หรอกเรายังช่วยตัวเรายังไม่ได้เราไปช่วยคนอื่นยังไงเราอย่างไหวนะไม่เป็นแต่เราจะไปเอาคนอื่นมาไหว้กับเราได้ยังไงเราไปว่า้ให้เป็นก่อนเถอะว่า้เป็นแล้วท oh ีนีเ e ้เราค่อยมาสอนเขาพอเราว่า้เป็นแล้วเขจะเกิดศรัทธาอย่างพระเจ้าพอตัดทะลุแล้วเนี่ยพ่อแม่พ่อก็มีศรัทธาใครๆก็มีศรัทธานิมนต์มาสอนที่วันในวังเลยนะพอสอนไม่นานก็ได้บรรลุกันเนี่ย แต่ได้จากพระพุทธเจ้าถ้าพระพุทธเจ้าอยู่เราพยายามจะชวนให้ออกบวุนด้วยกันนี้ไม่รับรองไม่มีทางที่จะเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้หรอแต่ท่านต้องไปก่อนท่านต้องไปทําเป็นตัวอย่างให้เขาเห็นว่าเออเนี่ยทางนี้มันดีจริงแล้วเขาจะเกิดศรัทธาเลื่อนสายขึ้นมาเองแล้วก็จะตามมาเองเมื่อเขาตามมาแล้วมันง่ายใช่ไหมดีกว่าลากเขามา <c oughs> <c oughs> ลากเขามาแล้วมันเหนื่อย <c oughs> <c oughs> แล้วเราจะไม่มีกําลังพอที่จะลากเขามาได้ นั้นเราต้องยามรับว่าคนเราเกิดมานั้นมันมีบุญมีกรรมมาไม่เท่าเทียมกันสะสมบุญบารมีมาไม่เท่ากันคนสองคนอาจจะทําทานมาไม่เท่ากันนั้นเวลาที่คนหนึ่งไปทําบุญอีกคนหนึ่งก็ไม่อยากจะไปอีกคนหนึ่งชอบไปกินเหล้าเมายาอีกคนหนึ่งก็ไม่อยากจะไปเเพราะมันมันบำเพ็ญมาไม่เหมือนกันมันสะสมบุญบารมีมาแตกต่างกันแตงแต่ว่าเรามาเจอกันแล้วเกิดมีความจําเป็นที่จะต้องอยู่ด้วยกันขึ้นมาเท่านั้นเอง ก็อยู่กันไปก็ไม่เลยไหมครับว่าจะต้องแยกทางกันไปเพียงแต่ว่าในเวลาไหนที่เรามีโอกาสว่างของเราเราพอที่จะปิดตัวไปทำอะไรของเราได้เราก็ไปแต่ถ้าเขาจะไปด้วยก็ดีนะแต่ถ้าเขาไม่ไปด้วยก็ไม่เป็นไรเพราะการปฏิบัติในที่สุดเขาก็ต้องปฏิบัติของเขาเองเหมือนเรากินข้าวแทนเขาได้ไหมล่ะใช่เขาก็ต้องกินข้าวของเขาเราก็ต้องกินข้าวของเรา เว้าเรากินข้าวแล้วเขาไม่กินเราจะไปบังคับเขาได้ไหมพอไม่หิว่ไม่อยากจะกินอย่างนี้เราก็บังคับเขาไม่ได้ไดังนนการปฏิบัติก็เหมือนกันเป็นสิ่งที่แต่ละคนจะต้องปฏิบัติกันเองทํากันเองไม่มีใครสามารถที่จะมาทําแทนกันได้มีแต่เราทําเป็นตัวอย่างให้เขาเกิดกําลังใจได้เช่นถ้าเราได้อยู่กับคนที่เขามีความเข้มข้นความเข้มข้นของเขาก็จะช่วยดูดเราให้มีความเข้มข้นขึ้น อย่างสมัยที่อาจจะมาไลฟ์ฟังอยู่คนเดียวเราก็คิดว่าเราคนละแต่พอไปอยู่กับคนที่คนกับเราเราถึงรู้ว่าเราเรานิสัยเนี่ยมันก็ทําให้เราเพิ่มความเข้มข้นขึ้นมาได้แต่ถ้าเราไปอยู่กับคนที่เขาใสกว่าเราเนี้ยดีไม่ดีเดี๋ยวเขาก็ดูเขาก็ดึงเราให้เราใสไปตามเขาก็ได้พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าจะอยู่กับใครให้อยู่กับคนที่ฉลาดกว่าเราเก่งกว่าเราหรือเท่าเราอย่าไปอยู่กับคนที่โง่กว่าเราแย่กว่าเรา ถ้าถ้าถ้าไม่สามารถหาคนที่ฉลาดกับเราเก่งกับเราได้ก็อยู่ขับเราไปคนเดียวดีกว่าอย่าไปอยู่กับคนที่แย่กับเราเพราะเดี๋ยวเขาจะฉุดเราไปในทางทางที่แย่นั่นเองนี่คือการเลือกเลือกเพื่อนปฏิบัติหากาัญยาณิมิตต้องหาคนที่เขาเก่งกับเราดีกับเราเพราะเขาสามารถฉุดเราช่วยเราได้อย่างพระสาวกทุกปก็ต้องหาพระพุทธเจ้าทั้นั้น อ่าเขเจ้าแล้วก็ไม่ผิดหวังกันคือความปรารถนาดีมันก็มีมันก็ดีอยู่แล้วคือเราก็เราเห็นว่าสิ่งนี้ดีแล้วก็อยากจะให้เขาได้รับไปรยชนด้วยแต่เราต้องยอมรับว่ า, วาคนนั้นมันเหมือนกับมีภาชนะมาไม่เท่ากันบางคนก็มีกระแป้งบางคนก็มีถ้วยคนที่มีถ้วยก็ได้น้ำแค่ถ้วยเดียวคนที่มีกระแป้งก็สามารถที่รับน้ำได้มากกว่า ดั้นเราอยากจะให้เขาเยอะๆแต่เขามีถ้วยใบนิดเดียวใส่ไปเท่าไหร่มันก็ล้นถ้วยไปเปล่าก็จะเสียเสียเวลาเราจะเหนืยไปเปลาเราจะไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรเขาจะต้องสร้างภ า, ภาชนะคือใจของเขาให้ใหญ่ขึ้นให้ใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะสามารถรับสิ่งที่มีคุณค่ามีประโยชน์ได้ก็ด้วยการอาศัยการบําเพ็ญไปเรื่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆทําทานก็ทํามากขึ้นไปเรื่อยๆศีลก็รักษามากขึ้นไปเรื่อยๆ ภาวนาก็ภาวนามากขึ้นไปเรื่อยๆคือเราต้องทําจากที่เรามีอยู่แล้วเพิ่มมันขึ้นไปทีละก้าวทีละก้าวถ้าทาไปอย่างไม่หยุดอย่างแล้วเดี๋ยวมันก็มันก็ถึงจุดหมายปลายทางเองแต่ถ้าเรามาคอยพะวงกับเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้เดี๋ยวเราก็จะเขว้เราจะไม่ได้ทําเราจะไม่ได้ก้าวหน้าไปแล้วถามว่าอย่างนี้เป็นการเห็นกับตัวหรือไม่ แต่ว่าเห็นกับตัวมันก็เป็นความเห็นกับตัวที่ไม่เสียหายก็เราไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับใครพอเราทุกคนก็ต้องมีความเห็นกับตัวด้วยกันทั้งนั้นพอเราทุกคนมีความรักตัวกลัวตายเราก็ต้องดูแลรักษาตัวเราทั้งสิ้นเหมือนกันเพีงแต่ว่าความเห็นกับตัวแบบที่ไม่ได้ไปเบียดเบียนผู้อื่นแล้วเราไม่ได้ไปอไม่ได้ไปลดละเลยหน้าที่ที่เราจะพึงปฏิบัติก็ไม่ก็ไม่เสียหายอะไร ส่วนไหนที่เรายังมีหน้าที่ที่เราจะต้องปฏิบัติอยู่ต่อคนนั้นคนนี้เราก็ปฏิบัติไปแต่ส่วนส่วนงานของเราเรามีเวลาว่าเราก็ทําของเราไปเราชวนเขาแล้วถ้าเขามาก็มันก็เป็นบุญกับของแต่ถ้าเขาไม่มาก็แสดงว่าเขายัางไม่พรก็ต้องก็ต้องยอมรับความจริงอันนี้ถ้าเรามาความเรามากังวลเรามาคิดแบบนี้เดี๋ยวเราก็จะจะไม่จะไม่สามารถปฏิบัติไปได้ แล้วม <Es> <itet> hmm ีบางทีเนี่ยเขาจะเปรียบเทียบกันนะคะเพราะว่าเราทำเขาจะนิยมที่แบบทำทานคืออย่างให้โดยจากให้เด็กลงนิทรรศเนี่ยเขาเห็นเลยว่าเงินนั้นต์ใช่ไม่อยู่ได้แต่พอจะมาทากับทางวัดกับพระก็บอกก็เหมือนกับเขาศูนเปล่าอย่าเงี้ยเราจะวิธีไหนที่แบบบอกเขาว่าอันนี้เหมือนกันแล้วก็อันนี้สมก็ต่างกันเนี้ยเขาจะมองในลักษณะว่าเป็นวัตถุเป็นวัตถุมากกว่าคือความจริงมันก็มันก็มีมีภาพที่เขาเห็นแล้วมันเป็นอย่างนั้นก็มีอยู่ แล้วก็ปฏิเสธไม่ได้เช่นการที่จะไปบริจากและสร้างวัตถุต่างๆที่มันไม่จําเป็นสร้างโบสถ์สร้างวัดอย่างแบบโอ้โหทิศดานอย่างนี้มันก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปสร้างแบบนั้นอย่างหลวงตาท่านก็ทําเป็นตัวอย่างแล้ววัดของท่านเองท่านก็ไม่ได้สร้างอะไรที่เป็ น, ปนวัตถุที่ทิศดานจ่ายเงินปัจจัยที่ท่านได้มาจากญาติโยมทั้งหลายท่านก็เอาไปทําแทนญาติโยมนี่แหละคือผ่านท่านแล้วก็ได้สองต่อ เราได้ทำบุญกับท่านนี้เราได้มีโอกาสได้ฟังธรรมะจากท่านแล้วเราก็มีความมั่นใจว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เราถวายท่านนั้นมันไม่สูญเปล่าไม่ถูกคนนั่งคนนี้แบ่งไปวัดครึ่งกรรมาการครึ่งนี้มันไม่มีเราก็รู้สึกว่าบุญที่เราทำนี่มันจะได้เกิดประโยชน์น้อยทั้งร้อยมันได้มันได้ความมั่นใจหนึ่งสองเราก็ได้ เราได้ธรรมะจากท่านด้วยอันนี้สําคัญกว่าการทําทานนี้ถ้าเราไปทําทานกับคนที่ไม่มีธรรมะอย่างมากเราได้ก็คือความอิ่มเอิบใจว่าเราได้ช่วยเหลือเขาเขามีความสุขอย่างมากที่เขาทาให้กับเราได้ก็คือยกมือไหว้เราเราขอบคุณขอบหัขอบใจก็เท่านั้นแต่เขาไม่มีธรรมะที่จะให้เรามีแสงสว่างมีปัญญาเพิ่มขึ้นได้แต่ถ้าเราไปทํากับพระที่เขามีความรู้มากกว่าเราผู้ที่มีความรู้มากกว่าเรา เราก็จะสามารถได้รับประโยชน์จากการได้ยินได้ฟังจากท่านนี่คือความแตกต่างกันแต่ถ้าเราไปทํากับบุคคลหนึ่งที่เขาไม่ไม่มีความสะอาดไม่มีความบริสุทธิ์เราก็ไม่มั่นใจว่าเงินที่เราไปถวายนั้นมันเอาไปเลอาไปทําอะไรใช่ไหมอันนี้เราก็อย่าไปทําสิก็เราเลือกได้ไม่ใช่ว่าการทําบุญนี้จะเลือกไม่ได้เราควรจะเลือกด้วยซ้ําไป เพราะเราต้องการที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากเงินทองที่เราบริจาคไปขอให้เราทราบเหตุผลว่ามันจําเป็นจริงๆเราทําไปแล้วเราก็จะเราจะรู้สึกว่ามันดีมันเกิดผลเกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างเงี้ยมันก็ดีแต่บุคคลที่เราเลือกทําบุญด้วยมันก็มีส่วนที่จะทําให้เราได้ผลประโยชน์ที่เรียกว่าผลกลาําไรท่านที่สองเหมือนกับเราไปเติมน้ํามันปั้มที่มีแจกพรากับพระกับปั้มที่ไม่มี แจกผ้านี้เราไปเติมปั้มที่แจกผ้าเราก็ได้กําไรนช่ไเราได้ผ้าใหม่ผืนหนึ่งล้วเราไปเติมปั้มที่ไม่ได้แจกผ้านี่เราก็ได้แต่น้ํามันอย่างเดียวนี่ก็เหมือนกันกันกบการทําบุญกับพระที่มีธรรมะสูงสูงเนี่ยเราได้ธรรมะเป็นของแข็งด้วยซึ่งเป็นของที่ดีกว่าที่ได้จากการทําบุญเฉยเฉยด้วยซักเดียวเลย้ำไปทานมันก็เ ป, นเป็นเป็นธรรมะระดับหนึ่งแต่ แต่ปัญญาหรือธรรมะเทศนาที่ท่านแสดง น, นี่มันเป็นธรรมะขั้นสูงขึ้นไปมันช่วยทําให้เราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้แต่การทําทานนี้มันยังทําให้เรายังเวียนว่ายอยู่ในภพชาติน้อยใหญ่อยู่เพียงแต่ว่าเมื่อเราได้ทําทานแล้วเวลาเราไปเกิดในภบหน้าชาติหน้าทานเหล่านี้ก็จะมารองรับเราทําให้เราสามารถอยู่ได้อย่างสุขอย่างสบายมีสเสบียงรอเราอยู่ภายภาคหน้า ไม่เดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยสีเรื่องอาหารการกินที่อยู่อาศัยเพราะเราได้สะสมฐานไว้ในชาติกก่อนนี่เองแต่เราจะไม่สามารถหลุดพ้นจากกองทุกไปได้กองทุกจะหลุดพ้นไปได้จะต้องพบกับพระที่หลุดพ้นแล้วเท่านั้นเช่นพระที่ท่านหลุดทนแล้วท่านสามารถพูดธรรมะที่ตรงเป้าหมายเลยแล้วเราสามารถนาไปปฏิบัติได้หรไม่ดีเราอาจจะหลุดพ้น และพบนิชาติเลยก็ได้อะ น, นั้นนี่คือผลประโยชน์จากการที่เราเลือกทาบุญกับบุคคลต่างๆแต่การทาบุญให้ทานแม้กระทั่งเลี้ยงหมาเลี้ยงสุนัขมันก็เป็นบุญปล่อยนกปล่อยปลานี่มันก็เป็นบุญเป็นกุศลเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันมั น, ม, นมันไม่ได้ผลผลผลตอบแทนขั้นที่สองก็คือเราไม่ได้รับธรรมะนั่นเอง ในการทําบุญก็ต้องต้องพิจารณาอยู่เหมือนกันว่าควรจะควรจะควรไม่ควรอย่างไรอย่างหุชาวทาี่ท่านเคยเล่าบอกว่าได้หลวงอยากจะถวายโบูชานุชดาวท่านยังปฏิเสธเลยท่านบอกท่านท่านบอกว่านี่ไม่ไม่สนใจในการสร้างวัตถุสนใจแต่สร้างสร้างคนสร้างคนให้เป็นพระมากกว่าและการสร้างคนให้เป็นพระนี่ก็ไม่ไมจําเป็นจะต้องมีบท แต่ต้องต้องมีสถานที่สงบสงัดวิเวอถ้าอยากจะได้ก็คืออยากจะได้ป่าอยากจะได้เขาฉลองตาท่านถึงจะซื้อที่ซื้ออะไรถึงั่งไว้ที่ไหนที่มีที่ ท, ที่ที่ดีที่เหมาะสมกับการบําเพ็ญ น, นี้ท่านก็พยายามที่จะสง่สงเสริมเพราะต่อไปสถานที่มันจะน้อยลงน้อยลงทุกวันเพราะประชากรสองคนในโลกนี้มันจะมากขึ้นมากขึ้นการตัดไม้ทําลายป่าอะไรต่างๆนันก็จะมีมากขึ้นมากขึ้น ทุกวันนี้ทีการต่อสู้ส่วนหนึ่งก็ต่อสู้เพื่อที่รักษาป่าเขาสถานที่บําเพ็ญไว้เท่านั้นเองแล้วก็ไม่มีแล้วต่อถ้าถ้าพระไม่ได้อยู่ป่าอยู่เขาแล้วจะไปหวังบรรลุมรรคผลนิพพ า, านเลยถ้าถูกต้อนให้เข้าไปอยู่ตามวัดที่มีโบสถ์สวยๆมีกุฏิสวยๆมีติดแอร์มีอะไรเงี้ยมันไม่มีทางที่จะหลุดพ้นได้หรอกมันก็อยู่แบบคารวานนะนี่แหละนี่แต่โกนโกนหัวแล้วก็ห่มผ้าเลยเนะท่านั้นเอง แต่ดีไม่ดีอยู่สบายกับคารวา่าดิกุติพระบางหลังนี่เข้าไปมีทั้งแอร์มีทั้งพรมมีทั้งอะไรเต็มไปหมดแล้วท่านจะเอาเวลาที่ไหนมานั่งภาวนานั่งพอมันเจ็บนิดปวดหน่อยก็นั่งไม่ได้แล้วนะล่ะเพราะฉะนั้นทาบุญก็เนี่ยก็ทาบุญก็ต้องใช้ปัญญาเพื่อจะได้เกิดประโยชน์อยากจะส่งเสริมพระศาสนาก็ต้องส่งเสริมให้มันถูกทาง ไปสร้างวัตถุพยายามส่งเสริมให้มีสถานที่ปฏิบัติธรรมเสริมเสริมพระที่ท่านเผยแผ่ธรรมะเพื่อให้ ค, คนได้รู้จากคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงแล้วเขาจะได้นำเอาไปปฏิบัติความสุขของคนไม่ได้อยู่ที่กองเงินกองทองไม่ได้อยู่ที่สมบัติภายนอกแต่อยู่ที่คุณธรรมภายในใจ มีคุณธรรมภายในใจมากน้อยเพีเพยงไรมันก็จะไปทําลายอกิเลสตัณหาที่มีใ น, ในใจของเราให้มันเบาบงลงไปเมือ่อกิเลสตัณหาเบาบางลงไปความสุขมันก็มากขึ้นมามันอยู่ตรงนี้มันอยู่ในใจเราเังนนกองสมบัติกองเงินกองทองวัตถุเข้าคลองต่างๆมันไม่ใช่เป็นสิ่งสําคัญต้องมีบ้างก็เท่าที่จําเป็นเช่นต้องมีที่าลาเล่านี้ก็อย่างเงี้ยพอหลบแดดหลบฝนได้ พอใช้ทำกิจกรรมได้ก็พอแล้วไม่เห็นจำเป็นจะต้องเป็นเป็นสิ่งที่มีราคาแพงๆอะไรเลยคือขอให้เรามองไปที่เหตุผลคือการใช้สอยเป็นหลักนั่นเองว่ามันมันสามารถทำหน้าที่ที่เราต้องการให้มันทำได้หรือเปล่ามันจะถูกจะแพงไม่สำคัญมันถูกมันดีกว่าเพราะว่ามันจะได้เป็นตัวอย่างไม่ให้เราจะต้องไปดิ้นลนขวนขวาย เสียเวลากับการหาเงินหาทองมาสร้างสิ่งที่มันแพงๆแล้วก็ก็ใช้ประโยชน์เท่ากันเหมือนกับตารเรารับประทานอาหารเราเรารับประทานอาหารมื้อละห้าสิบบาทกับมื้อละห้าร้อยบาทมันก็สําเร็จประโยชน์เหมือนกันคือมันก็อิ่มเหมือนกันเราไปอยู่ที่วัดเรากินอาหารที่วัดมันอยู่กินแบบง่ายๆแล้วก็อิ่มเหมือนกันเรากลับบ้านเราไปกินอาหารตามโรงแรมราคาแพงๆมันก็อิ่มเหมือนกันแล้วมันก็ผ่านไปเหมือนกัน แต่การที่จะต้องหาเงินมาเพื่อที่จะมาใช้นี่มันเสียเวลาปล่าประโยชน์ช่วยเาเงินที่เหลือนี่มามาช่วยเหลือสังคมหรือช่วยเหลือศาสนาดีกว่าถ้าศาสนามันมีความเจริญมากขึ้นบ่ายเพียงไรคนก็จะได้รับประโยชน์มากขึ้นเพียงนั้นแล้วสังคมก็จะอยู่กันได้ด้วยความร่มเงยน็นเป็นสุดแต่วันนี้สังคมของเราที่มันวุ่นวายก็เพราะขาดศาสนาในใจนั่นเองมีศาสนาอยู่ตามวัดตามว่าตามวัตถุต่างๆ แต่มันไม่ได้อยู่ในใจคนแค่ไหนคนเข้าวัดแต่มันไม่ได้เอาเข้าวัดแล้วมันไม่ได้เอามันไม่ได้เอาเอาชาติหน้าเข้าไปไว้ในในใจในใจมันก็ยังมีแต่กิเลสมีแต่ตัญหาเข้าไปในวัดก็ไปทะเลาะ ก, กันในวัดมีเรื่องกันในวัดเมันเป็นเป็นอย่างนั้นถ้าเราจะเข้าวัดวเราต้องฝ่ายแบบสงบฝ่ายแบบว่าไม่ไปมีเรื่องมีราวอะไรกับใครเราไปต้องการมีเป้าหมายอันเดียวก็คือไปบําเพ็ญให้ ไปเจรินจิตตภาวนาไปรักษาศีลไปปปฏิบัติธรรมไทยก็จะมีความรู้ความเห็นอย่างไรปล่อยข้าไปเรื่องของเขาพยายามทําตัวเป็นเหมือนกับหนูตัวเล็กๆดีกว่าแต่ไปทําเป็นราชสีไปราชสีแล้วเดี๋ยวมันต้องไปกัดกับราชสีอีกตัวนึ่งถ้าเป็นหนูแล้วก็ไม่มีปัญหาเราก็จะมีเวลาพอนะของเราไปสบาย อ๋อนะอันนี้ขอมควรใจเวลานะก <c oughs> ารจะให้พร น, นะยะเท้าวาเลวะหาตุราปัลิกปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตจินังเตตานังอุปกะปะติอิชิตังปะชิตังตุมฮังคิปะเมวะสันิจตุสพติปุเรนตุสังกะปา ันทปณะระโสยถาะิโติระโสยถาสัพพิติโยวิวัตันุชพะโรโววินัสตุมาเตภวตะวันตาโยสุขีทีโกภะรภิวาทะนสีลิสนิจังุทาปจายโนปตาโรธรมาวทานติอายุวันโนสุขังภลา